อา่ารพรท่านสาธุชนพุทธ บ, บริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนาเราจะไปท่านแรกเลยก็คือจามัจกับแจ๊ดที่กลับมาเมืองไทยแล้วเหรอการับราการพระจังครับกลับมาเมืองไทยแล้วครับอืมอะไรนี่เล จบสอบตกครับเอี่ยจบอะไรตกอะจบบเสียใจที่กันจะกลับบ้านอ่ะเสียใจเลยทำไมต้องเสียใจด้วยนะเพะอยากอยู่ต่อใช่ไหมใช่คร่ะแล้วได้อยู่แบบไม่ได้อยู่ใช่ไมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แนละ้วไม่เสียใจครับเราต้องมองความจริงความจริงเป็นยังไงเราต้องยอมรับความจริง คครับถึงเวลาลองกลับบ้านก็ลองกลับบ้านถ้าอยากไม่กลับนะถ้าอยากไม่กลับก็จะทุกข์ใช่ไหมเสียใจนะ่ไหใช่ครับอยากจะเสียใจหรือเปล่าไม่อยากเข้าโอเคเสียใจก็ต้องยอมรับความจริงอยู่กับความจริงนะออยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ครับ อย่าไปอยากอยากเลจะชักทุกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถึงเวลาไปก็ไปเข้าใจนะเข้าใจครับอยู่ที่นั่นได้นั่งสมาธิบาา้างหรือเปล่าเนี่ยตอนนั่งบ้างครับนั่งบ้างนะนั่งบ้างทำไมถึงเิทุกคเกินือเปล่าเนย <c oughs> ไม่ถุกคือนครับ <c oughs> ไม่ทุกเตือ น, ท, น, น <c oughs> ทำไมลนะ่ะนอนดึกเหรอ เวลามันต่างกันนะคะแล้วพ อ, อไปนั่งแล้วก็แบบสับ ป, ประงกสับ ป, ประงยงกแล้วทําอะไรกันนะก็ฟังธรรมพระอาจารย์เปิดต อ, อนนอนทุกคืนนะค ะ, ะไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ดูทีวีอะไรใะเล่นเกมนะแต่ไม่ได้ดูทีวีครับไม่ได้ดูทีวีเอไไอไปอยู่ที่บ้านน้องเที่อังกฤษเขาก็มีรายการทีวีให้ดูเนี่มีค่ะค่ะ <Okay. S 2> ก็จะเศร้าๆแบบว่าต้องจากลูกพี่ลูกน้องอ่ะเพราะเขาเล่นกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วเขาก็จะร้องไ uh huh. ห้แล้วหนูก็บอกว่าอันนี้มันคือบททดสอบตอนเนี้จากเป็นก่อนถ้าจากตายอ่ะมันยิ่งกว่านี้ uh huh. ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธกันอะไรเงี้ยค่ะก็ะให้ที่ให้ท่องทุกข์ึ้นว่าเราต้องมีการคาดคาจากกันไม่ใช่ทําไม่เอามาจดจํานะ่ให้ท่องไหม <c oughs> เ, าา rumor, uclear, เ, าาเราทอะไรเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะระล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะจะไว้เน้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพ จากจะของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมอนั น, อนังสืบไปเราทัางหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเติมพิจารณาหรือบปล่ <c oughs> ต้องพิจารณาให้เข้าใจไม่ใช่ส่วน น, น้ำนกแก้ว <c oughs> ส่วนแล้วต้องเข้าใจนะว่ามีความหมายว่าไงเนะห็มทุกไม่เวลาต้องพัดพรากจากกัน ทุกทุกพ่ออะไรทุกทุกพ่ไม่อยากจากกันใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจากกันรือเปล่าในที่สุดก็ต้องจากกันใช่ไหมจากครับแล้วเป็นยังไงก็จากกันตอนนี้ก็อยู่ได้ไหมครับครับไม่ต้องไม่ต้องไปยึดไปติดเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับแล้วมีอะไรอาการฐานที่สองจำได้ป่าจจำได้ครับครับ ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับถังถไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสร็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเน่าน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเกลือน้ำลายน้ำพูุน้ำแครนน้ำปูก น้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำข็งนน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเดืองน้ำเฉลี่ยน้ำดีเยื่อในสมองสีสาบอาหารเก่าอาหารใบใส่้น้อยใส่ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจมาเพื่อในกระดูกกระดูกเนื้อต่างฟันเล็บขนผม เราเป็นพวกนี้หรืเเราเป็นอาการเหล่นี้หรอเป็นครับนเป็นได้ยังไงเราเป็น invisible man ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อมายถึงได้ก่เราเป็นครับแต่เราไม่เป็นเราไม่เราเป็นใครเป็น i v i s i b l e n เอ m อว่า invisible n ไม่ใช่อาการทางที่สองนะครับอาการทางที่สองเป็นอะไรไป i n v i s i b mm hmm. ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมเข้าใจครับไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวร่างกายนี้มันก็ต้องไปเหมือนกันอะครับมันไปแต่เราไม่ได้ไปกันไมเข้าใจไหมเข้าใจครับเราไป invisible m a ต้องคอยสอนใจเตือนใจแยกตัวเองออกจากร่างกายอยู่นี่เลยนะครับครับทํ า, าทได้ไหมทําได้ครับ okay. เวลาใครตีร่างกายเราแต่อินวิสบาลไม่ต้องไปร้องไห้นะครับอินวิสโบแม่ไม่ได้ถูกตีหน่อยครับวันนี้ถูกตีก็คือร่างกายอินวิสบาลเป็นเพียแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเอรับรู้ว่ารัรู้เฉยๆนะถ้าถ้าไม่เฉยก็ต้องพูดโทถ้ามันจะร้องไห้ก็ต้องพูดโธพูดโธรไปเดี๋ยวมันก็เฉยได้เข้าใจไหมอ๋อเข้าใจครับ ลอาฝึกพูดโัวบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆต่อไปเวลานั่งกายไปอะลายไปอินวิสุปันป Man, ก็จะได้ยิ้มได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนคร้บใจไหมเข้าใจค่ะโอเคนะวันนี้นั่งสมาธิไหมน่าจะนั่งอยู่น่าจะได้อยเว้ยเช้านั่งเขาจะไม่ให้เ้านั่งก่อนเช้าแล้บตอนคืนง่วงนอนนะ ยังยังปรับตัวไม่ได้ยเมื่อคืนกว่าจะนอนกันห้าทุ่มาโอเคอย่าทิ้งเนะ้ของดีนะพยายามไปเรื่อยๆหนึ่งจะรักษาซูเปอร์แมนไม่ให้อินวิสซเปอรแมนไม่ให้รู้สึกเดือดร้อนให้เป็นซูเปอร์แมนด้วยครับนะครับต่อมาที่เนี่ยทําให้อินวิสซเปอรแมนเป็นซูเปอร์แมนไม่แล้วใจครับโอเค ครับโอเคครัท่านนี้ก่อนนะ <c oughs> จับขอบ <c oughs> พูนพระจารย์ครับเดี๋ยวไปที่น้องนักขุนนะอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมมาฝากคนนี้อัดิส า, ปาเปิดมาได้ไหมเปิดค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้เขาไม่ไม่สบายค่ะเขาอยากจะมากราบแต่ว่ายังเล่นอยู่ข้างนอกตรงนี้เลยค่ะจะกราบไหมลูก ออกขึ้นมาตรงนี้พ่อจะไม่เห็นครับไปขึ้นมาตรงขึ้นมากลับแล้วังจะมากลับได้กล้อือกลับพุทโธทำมนสามโคลทำมน ท, ที่ทหนูทำเดี๋ยวทุกคืนใช่ไหมคะ อ, อ๋อไหวไวไหวจังแต่มายัางไงมีอะไรมไหมไม่มีค่ะไม่มีนะอย่าเล่นมากนะเดี๋ยวก่อนนอนต้องพุทโธพุทโธก่อนนะ อ, อทำ<อ>พุทโธพุทโธก่อนนอนนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่พาา่อจันบอกเขาว่าให้พุทโธทำโมสังโคก่อนนอนนะ อ, อยา่างน้อยๆแต่เขาก็จะพุทโธทำโมสังโคค่ะเพราะพุทธเป็นธรรมพระสงค์ค่ะอทําไปเลยทำไมเด็กๆเรา ก, ก็ทำอย่างนี้อเวลากลัวก็ทําพุทโธทำโมสังโคไปเดี๋ยวก็หายกลัว ได้ยินนะทุกออโอเคคระภูมิเาทำได้เฉยมาวันเขาง่วงมากเลยค่ะอจะพาพาสวดมันยาวยาวไหนเขาเขาก็จะบอกว่าเอาแค่พุโทโธธรมโมสังโฆแล้วก็นอนเลยนะเหมือนที่ว่ะอาจารย์บอกเขาโอเคทำง่ย า, ายก่อนตบขึกก้นแล้วไปสวยอ้งางลังสัมมาค่ะชอบสวดบทหลวงปูด่ดูพระคาถามหาจาักพันนคะคะไปไหนก็สวดแต่บทตูขอรีเควสตเองไม่ยอมร้องเพลง โ okay. อเคชวนบนไหนก็ได้โอเคค่ะพัก <Okay. S 2> อากาศนะครับา <Okay. S 2> อาจารย์คุณแม่มีอะไรถามไหมแม่ไม่มีอะไรคร่ะพระอาจารย์หากเขาทํากิริยาไม่ดีหรือว่าทําอะไรไม่ดีขออย่าได้เป็นโทษเป็นภัยกับเราสองคนเลยนะคะขอพระอาจารย์เมตาตายกโทษให้เขาก็เป็นภาษาเขาก็ปเป็นเขาก็ไม่รู้เด็กสารเลยหรอกอ่า เขจะได้เป็นอา่าค่อยๆฝึกค่อยๆสอนไปเรื่อยๆนะโอเคนะเราจะได้ไปที่ท่านต่อไปได้ไปที่คุณหมอคุณหมอพิ่เชิดขอทำบอกรับน้ำรัสการพระอาจารย์ครับยมขออนุญาตกราบเปี่ยนพระอาจารย์ว่าวันพุธหน้า โยมวันที่สิบพฤษภาคมวิาาชาอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินครับโอ้โครับวันวันพุธหน้าวันที่สิบพฤษภาคมโยมจะเดินทางไปเยี่ยมลูกที่อเมริกาครับ<ม>ก็จะกลับมาก็ต้นเดือนมิถุนายนครับะระหว่างที่อยู่อเมริกาจะไม่สะดวกที่จะเข้ามาลิซึงแต่ะจะตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกวันครับจึงพังกาบเรียพระอาจารย์ครับไ ป, ไปที่ร้านไหนล่ะ ไปที่ลอสแอนเจลิสครับพนักาเป็นลูกชายลูกหญิงลูกสาวครับแล้วลูกชายอยู่ที่เมืองช <idar> าลอตแคโรลินอ๊อตแคโรลนาก็จะาไหมตรงหมดแล <c oughs> ้วใช่ไหมใช่ครับทํางานกันสองคนแล้วครับก็ไปเยี่ยมเยียนกันครับปอดีก็ไปเยี่ยมให้เขาบินมาเจอกันที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็ไปเยี่ยมลุงกิบซินัมแล้วก็ ก็อย่าลืมปฏิบัติไปด้วยนะครับอาจารย์อย่างน้อก็ต้องมีสติอยู่เรื่อยๆครับอย่าปล่อยให้ไหลไปตา ม, มาาตอารมณ์นะครับรสักตะวารุสักตะวานะสักตวันเห็นสักตะวันได้ยินครั บ, รบสําหรับคืนนี้จะขออาจารย์ได้อธิบายการปฏิบัติวิมุติกับอาจารย์เรื่องนี้นะวิมุติก็ให้สักตะวารุ แต่เ่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสดำรงพอ ย, ยินดีเนี่ยแล้วมันจะทุกขพอยินดีสิ่งที่เรายินดีจากไปก็ทุกข์พอยินร้ายพอเพีงแต่บพบก็ทุกขนะ์แล้วถ้าเราไม่ยินดีร้ายเราทําใจเป็นอยู่เบีดขาเฉยๆที่จริงแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขงัง น, นั้นต่าเราก็คุมบังคับไปได้ มือนดินฟ้ากันวันมันจะตกแดดจะออกเราก็ต้องอยู่ประมันไปเฉยๆไปไม่ต้องไปยินดียินร้ากับมันใช่้ห ม, อ, มอันนั้วิมุตติอยู่นั้นหมดทนจับความทุกข์ใจไม่ทุกข์กับอะไรเพราใจเห็นว่าเป็นตายลักเป็นเห็น็นว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนันตตาถ้าไปอยากถ้าไปยินดียินร้ายก็จะทุกข์ถ้าไม่ยินดียินร้าก็จะไม่ทุกข์ มีโนตเตะอันทีสั้นๆไม่ต้องสำหรับคนคนมีปัญญาพูดแค่นี้ก็เข้าใจใช่ไหมบรับขอบคุณพอาจารย์เป็นอย่างสูงครั บ, บสาธุเนี่ยไปที่ท่านต่อไปคุณดิศยาขณะที่ว่าเป็นยังไงผมคุณแม่โทรหาทุกวันเะน้นำมัตการข่าพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยิน ค่ะไม่ได้โทรค่ะพระอาจารย์ให้คุณแม่ปฏิบัติให้เต็มที่ค่ะ อ, อค่ะที่มาตายจากการชั่วข้าวแล้วกันตายชั่วค้าวลองตายเห็นไหมค่ะได้ค่ะแล้วก็น่าจะประมาณห้านกเ็น่าจะวันที่เจ็ดนะคะที่ไม่มีธุระอะไรแล้วก็หนูน่าจะปฏิบัติที่บ้านถึงนน่าจะน่าจะได้ประมาณสิบวันค่ะพระอาจารย์ค่ะ ไม่มีสอนเนะี่ยไม่มีสอนคนะ่ะใช่ค่ะแล้วก็รออีกทีช่วงเปิดเทอมค่ะอืจบแล้วจบคอร์สแล้วค่ะรีบตักตัวแล้วนะทำว่าเวลาน้อยลงไปทุกวันอยากประมาณเวลาไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ระฆังเขาจะตีเมื่อไหร่เราไม่รู้ตอนนี้มีเวลาก็รีบตักตัวนะค่ะพระาอาจารย์มีคําถามนิดหน่อยค่ะคือ เอียมค้างคาใจอยู่ค่ะตอนที่นั่งสมาธิก็ชอบมีอตุภภาพผุดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางทีจ้องเข้าไปเรื่อยๆแล้วแบบรู้สึกว่าเออเมื่อไหร่เหมือนถามว่าเมื่อไหร่จะเบื่อตาทีกับไอภาพนี้เหมือนรู้สึกได้ว่าใจใจส่วนหนึ่งค่ะยังยึดติดกับผูกพันธุ์กับร่างนั้นร่างร่างศพของเราก็ยังเน่าเน่าเขาก็อยากผูกพันธ์ไปเรื่อยๆมันมีเสียงตอบว่ามันเขาเคยเป็นเรา หนูก็อยากอยากจะเถียงแต่เถียงไม่ออกว่าเออเรามิร่างศพอันนี้มันเคยเคยเป็นเราจริงไหมคะพระอาจารย์จริงจริงมันเกิดมากี่มันเกิดมา ก, กี่ครั้งมัน ก, ก็ต้องเป็นศพทุกครัง้งค่อยๆเกิดมากี่ครั้งจาได้ไหมไม่ได้คะาา่ะพระอาจารย์นะเกิดกี่ครั้งมันก็ต้องเป็นศพทุกครั้งน้างที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องเป็นศพเหมือนกันนะาายายนะ เวลานั่งสมาธิไม่ต้องไปไม่ทําไปพิจารณาไม่ต้องไปคุยให้กลับมันดึกกลับมาที่การภาวนาของเราดีกว่าไม่งั้นมันก็จะติ ด, ตดชะ ง, งันติดตรงนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ไม่รูมันก็ไม่เป็นสมาธิเวลาทำสมาธิไม่ต้องไปสนใจกัอะไรที่ปรากฏขึ้นมาถ้าใช้พุโทโธก็อยู่พุโธไปใช้นอนก็อยู่นมไป ถ้าเจอภาพศพอะไรแบบนี้ก็ใช้พุโทโธต่อไปจนปล่อยเขไป่สนใจไม่ต้องสนใจเวลาเจอภาพศพก็เจอภาพสวยงามก็เหมือนกันอย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิให้ใจเราอยู่กับการภาวนาอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ภาวนาแช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปใชอ้อารมณ์มยู่กัอาไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมามันจะหลอกเรา รอให้เราเสียสมาธิให้เราเสียสติค่ะได้ค่ะ ส, ส่วนจะพิาาจารณารออยากสมาธิไว้ทําเวลาตอนนี้พิจารณาได้อาบอศพนึกสมาธําเคืนไม่ได้เวลาที่ไม่ได้นําสมาธินะแต่เวลานําสมาธิต้องการให้จิตนิง่งให้จิตเข้าสเข้าสมาธิ ถ้าไปถ้าไปให้ความสำคัญกับภาพหรืออะไรที่ปรากฏระหว่างที่นั่งสมาธิมันก็ไม่สมมันก็ไม่มันก็เข้าสมาธิไม่ได้ได้ค่ะพระอาจารย์อยากให้อยากให้สมาธิะเถียนตะเถียนตะทีเพราะนั่นอ่ะก็มันมันถูกหลอกดนะ้วยก็ไม่ตะเถียนไม่อยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับลมหลใจหรืออะไรโผล่ขนมาก็ตามตามมันไป เรียว่าเพลิดสติแล้วสติไม่มีแล้วใจลอยไปแล้วใจลอยไปที่อื่นนะมันอยู่กัลมอยู่กับพุโทโธอย่างไดอย่างเนี้ยเราใช้อะไรก็ให้ไปอยู่มันอย่างนั้นอยู่กับสิ่งนั้นไปเวลาทําสมาธิอย่างเวลาไม่ทําสมาธิจะนึกถึงคระสุภาพทั้งวันทั้งคืนก็ได้นึกถึงถ้าศพกปได้ ใช่ okay, นะได้ค่ะขอบคุณค่ะไ ป, ไปที่ชยัยนาคุณจารกาส่งน้องม่วงมาเหรอคะบาจายประเ อ, อิญมันออกอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็อยู่มันมันมีอีกพันหนึ่งค่ะาราจา์น่าน่าจะน่าจะถึงวันนี้มั้งคะแอปเปิลมีมีไหม มะม่วงแอปเปิลนะคะก็เลยม่วมาแล้วมะม่วงชื่อแอปเปิลมะม่วงวันแอปเปิลใช่ค่ะก็เลยเห็นว่าทางทางนั้นเขาบอกว่าทางสัมส่วนเขาบอกว่ามันถ้ามันสุกมันจะหวานลูกก็เลยเห็นมันแปลกก็เลยสุกไปเอ่านไปให้อาจารย์อ่าปฏิบัติธรรมาฟังธรรมครับอาจารย์เห็นไปที่อาจารย์ปกพิไลกอธมร กาน้อมสการพระอาจารย์ค่ะอวันยังไงพรุ่งนี้จะไปที่บ้านจะไปตักบาตพระอาจารย์ค่ะกล่านรอมการพระอาจารย์ครับวันนี้มันอยู่ราชการนะพรุ่งนี้เด็กรุ่งรุ่งหยุดกันค่ะตอนแรกจะไปวันนี้เขาเขขอบอกไปพรุ่งนี้ไปด้วยกันอืคตอนนี้เป็นบ่ายเช้าหน่อยนะเริ่มงแต่ประมาณสี่ภาคอ่ะ ดีห้าสี่มากแล้วเริ่มปิดสถาบันะช่วงนี้มาทุขึ้นเร็วพรว่าจะออกสี่สี่สี่สิบห้าค่ะเพราะนาจะไปถึงตรงนั้นตักโมงยี่สิบโมงยี่สิบัเกิดเีร้ตรงที่ที่เคยเป็นตันนี้คนอาจจะเยอะหน่อยจะช้าหน่อยช่วงนี้สว่งสวาเช้าเร็วเช้าเร็วสว่างเร็วมากเริ่มิดาันประมา ประมาณี่สิบสสิบห้าโหเร็วจังมองว่าูงพงถึงได้ทันนะะไม่เปลาไม่ทันไม่ทันก็ไม่ทันไม่ใชไม่ทันไปตัดตรงแถบตรงรถจอดโยบส่งไปง่าไปรถยังยังมันจะไม่ได้ไปก็ลงลอยปัดยางเลยไปแต่ปาดทางก็ช้าหน่อยได้ แต่ทานหนักพูดทานตั้งใจเราก็ได้วันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็มาการเตรียมตัวนอนนะเดี๋ยวจะตื่นตื่นตื่นชาว่าพรุ่งนี้ทุกคนสัญญากันไว้ไปกัน2องคันนะเพราะว่าเดียวเขาจะขับไปเองที่บ้านมาดีหุงไปทานได้โอเคไปเจอกันไว้ค่ะอย่าลืมมาเจอกัน ฟังยินดีแชร์ ย, ยินดีไม่ทราบว่าถ้าอาจารย์ได้ยินไหมท่ะเนี่ยได้ยินได้ยินอราได้ยินแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีคําถามอะไรเดวิส่องฟาคิดถึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บอยซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์โอเคสาธุนะค่ะ ข, ขอบพระคุณเป็นยาสูงค่ะท่านจอม อ่าวันี้คุณสวัสดีใช่คุณสวัาดีเดลัสเท็กซสหนาวหรือล่นะนี้หนาวเลยสายเสียนาวเลยแต่กำกลังดีตัค่ะกรับนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนเช้าจะเย็นนิดนึงจ้าค่ะแต่ว่าช่วงสายๆอากาศก็จะดีขึ้นลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอเข้าร่วมฟังเจ้าค่ะ okay. คุณหอพัชนาหอพนาก็ท่ออกรรมนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็ยังปฏิบัติตลอดตอนด้วยนะพระอาจารย์แล้วช่วงนี้จะเห็นอรนสติรอบตัวเลยคือเห็นตลอดรู้สึกว่ายังไม่เป็นระมาทถามพระอาจารย์คะแล้วก็ไปตรวจตามมานะคะพระอาจารย์รอบนี้ไม่ไม่ได้เข้าสมาธิอะไรค่ะพระอาจารย์แต่ว่าใช้แบบว่าจักคุงอนัตตาพระอาจารย์รู้สึกว่าอืมันมันไม่มีอะไรเลยพระอาจารย์เห็นแสงอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรพระอาจารย์ค่ะก็โอเคพระอาจารย์ก็อย่าทุกข์กัน ค่ะไม่ทุกเลยค่ะพระอาจารย์เพราะมันเหมือนยอมรับ ว, ว่าเออมันเมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว <c oughs> ก็มันรู้สึกว่าพอมบอกแบกบทำแบบที่พระอาจารย์บอกมันมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อยยึดอะไรก็รู้สึกตินะครับพระอาจารย์อตอพยาปฏิบัติตอนเรื่อง<า>ค่ะโอเคอาธุาพระอาจารย์บาลินหายหน้าไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยบาลินกลับมาใส่กายเขาหลวงพ่อก็หายหน้าเป็นน้ำตอนนี้ผมอยู่ลําพูนครับมาตั้งแต่ก่อนของการครับหลวงพ่อ อก็มีงานส่งนำพระาตนะครับรูปด้านหลังผมก็เพิ่งไปถ่ายมาก่อนเข้าซูมเนี้ยครับคนมาเป็นพันเลยครับอก็ก็เรื่องธรรมะก็ไม่ได้ห่างหรอกครับแค่ไม่ได้เข้ามาก็ก็แบบเจาเรียกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองจะหลวงพ่อให้ดูเราเองก้าวหน้าหรือคอยหลังให้ดูใจตัวเองว่ายึดมั่นถือม่กกับความทุกข์ในใจว่าเป็นยังไงกับพิจารณาว่าต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ก็ถือว่า ไม่ผิดสิ่งทาเลยเอ า, อางี้ท่านเขาไม่ผิดสิ่งทาเลยก็ยังมีสิ่งที่ภูมิใจอยู่ส่วนเรื่องสมาธิก็ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นบ้างแต่ว่าก็ถ้าสมมุติมีอะไรจิตทุกข์ขึ้นมาก็พยายามดึงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ความโกรธก็มีอยู่แต่ก็พยายามจะดับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ก็แต่ว่าก็แต่อยู่ที่นี่ก็ไปกราบพระธาตุกับทุกวันเขาก็เป็นอะไร พูดทันุูสติสังขารรู้สติว่าก็อิ่มอกอิ่มใจเดียวครับหลวงพ่อก็ก็พยายามอยู่เหมือนเดิมครับโอเคปีท่านี่นะก็กมก็ไม่รู้สิก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรดีก็แบบก็อย่างเช่นทุกวันนี้ก็ฟังธรรมะก็ ทำอย่างเช่นทาม้าบทเดิมแต่ว่ามาฟังเมื่อก่อนกับ ต, ตอนนี้มันก็ความเข้าใจเปลี่ยนไปแบบบางประโยคสั้นๆอะไรอ่ะบุญย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอะไรประมาณนี้มันก็เข้าใจมันก็เหมือนเลยทราบซึ้งมากกว่าเดิมั ท, ทั้งที่เป็นธรรมที่เราเคยได้ยินมานานแล้วอะครับหลวงพ่ออื ม, อมก็กมก็ไม่ไม่อบไครับตอบไปแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับไอ้มสดคุณแดน บ้าดาราอ่าอาจารย์ประสิทธิ์ค่อาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะไปด้ค น, นอัปโป้อัปโปออัปโปได้ยินไหมจับน้ำมันมสการค่ะ อ, อยา่ที่ไหนจ๊ะอยพอดีหนูขเข้า อ่ายูเซอร์ของพี่คนหนึ่งเขาให้มาเพราะหนูพยายามทำแล้วแล้วหนูทำไม่ได้หนูอยู่กอธรรมอค่ะกอะไรหนูชื่อกระเตนค่ะ่กระเตนกเตนค่ะนกกระเตนอ่พอดีเมื่อเสาที่ที่พัามีนาได้เข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็พอดีหลวงพ่อให้พี่เปิ้ลพาไปดูสถานที่ ที่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมมีความมีความตั้งใจว่าอยากจะขึ้นไปอยู่ mm hmm. แลพวที่ช่วงนี้มาเกิดปัญหาอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆเป็นไทรลอยเป็นพิษโดยไม่รู้ตัวแบบน็อกไปเลยก็เหมือนเป็นความเความรู้สึกว่าออชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเลยมันมันสามารถที่ว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามอย่างที่ หลวงพ่อเคยสั่งสอนธรรมไว้ว่าอย่าคิดว่าต้องคอยให้ตัวเองอายุอายุมากก็จะไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันพร้อมจะไปได้ได้ตลอดเวลาก็เป็นใช่มันก็ดีมีมีเทวดาอุมาเตือนเราแล้วมีของจริงมาให้เราได้เมื่อก่อนเราก็ยังคิดว่าเราอย่างอีกไกลเราอยังอายุน้อยอะไรแบบนีค่ะเออ ก็เหมือนว่าเราก็มีความเพียรในการที่ว่าดูไกลสังขารเราได้มากขึ้นแล้วก็พร้อมพร้อมแล้วก็ยอมในสิ่งที่ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ต้องยอ ม, อมยอมไปอย่างมีสติคิดไว้คิดไว้อยู่ตรงนี้ค่ะดีค่ะขอให้เราอย่าทุกกับปัญหาเรามาการปฏิบัติใช่ใช่ไม่ไม่ทุกค่ะคือไม่ทุกข์ก็ คิดว่าคงคงได้ขึ้นไปขึ้นไปปฏิบัติในแหลกที่พี่เปิ้ลพาไปแน่นอนนะคะเขาไปฝ<อ>ึก<อ>ทาําใจสําหรับจะได้ไม่ทุกเวลาเกิดเหตุการณ์อันนี้ยังยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต้องเจอของจริงก่อนถึงจะรู้ <c oughs> อันนี้ก็พูดว่ายอมยอมแต่ถึงเวลาจีเรนไม่ยอมกับเราเลย <c oughs> แ่แต่ก็แต่ก็ยอมรับ รอมรับได้ได้มากขึ้นค่ะหลวงพอ่อก็ออพยายามทำไปนะคก็ถ้าไม่ได้เข้ามาฟังในในนี้ก็จะฟังอยู่รอบนอกของของอของทุกวันพุธอยู่แล้วอะค่ะฟังธรรมอพอเข้ามาพอเข้ามาฟังธรรมเราก็ได้สติได้ปัญญาได้หลายๆอย่างที่เราที่เราได้ไ ด, ได้ได้จากเพื่อนๆนและจากหลวงพอ่อ เหมือนเพื่อนๆตั้งคำถามอะไรมาพอหลวงพ่อตอบเราก็ได้ปัญญาขึ้น ม, มาให้เราได้ได้เรียนรู้หลักธรรมของของชีวิตของเราก็น้อมกับน้อมกับขอพอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เผยแพร่ธรรมะออกมาทางช่องทางช่องแบบนี้ทำให้มีความรู้สึกว่าหลายๆคนก็ได้ได้เข้าถึงหลักธรรมได้ง่ายขึ้นค่ะนะอ่ารวมตั้งทีมงานด้วยนะทีมงานเข้า ด้จากการถ้าไม่ม<อ>ทีมงานก็เราก็ทคนเดียวไม่ได้ต้องขอบพระคุณทีมงานจริงอย่างสูงเช่นกันค่ะที่แบบมีความคิดแนวคิดดีๆแบบเนี้ยที่ให้ทรมะเข้าถึงบ้านเข้าถึงเข้าถึงได้ได้ทุกคนได้อย่างง่ายดายอะค่ะอขอบพระคุณมันเก<อ>ิดจากโควิดเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดกาเลยต้องพาวิธีไป<า>แพทย์ทำอ่ เพราะทุกคนออกจากบ้านไม่ได้อะไรต้หาคร่องหาวิธเข้าถึงบ้านบางทีมันมีทั้งผลดีและผลเสียนะคะเราก็เราก็ได้เรียนรู้ชีวิตแบบใหม่ว่าถ้าเราต้องอยู่ในบ้านทําเราก็อยู่ได้ใช่ไมใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลายๆคนที่ตอนช่วงโควิดนี้มีปัญหาชีวิตกันเยอะมากอย่างอย่างโยมนี่ก็ มีเหมือนกันก็เหมือนแบบรู้สึกสงสารลูกน้องที่อยู่เราก็เหมือนต้องปล่อยเขาออกออกแบบกลับสู่ภูมิลําเนาเพราะว่ามันรับมันรับสถานการณ์กันไม่ไหวก็เลยค่ะแล้วก็ต้องต้องมองโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะเรามันเป็นทั่วโลก mm hmm. เราต้องยอมรับมันให้ได้ mm hmm. แล้วก็ได้ความทำพระอาจารย์มากขึ้น mm hmm. ก็เข้าเข้าถึงได้มากขึ้นอื mm hmm. เราจะได้เห็นคุณค่าของธรรมะของพุทธาว่ามีคุณค่ายัางไงมีประโยชน์อย่างไรใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็ไม่มีคําถามก็จะอ่ฟังฟังจากพระอาจารย์ถ้าไม่เข้าฟังในนี้ก็จะฟังอยู่รอบนอกอยู่ตลอดนะคะอย่าสารทกอให้หายเจ็บหายไข้นะคุณหมอบอกว่าการยาการยาประมาณ ปีครึ่งปีครึ่งถึงสองปีถ้าก็าไม่หายก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาค่ะแต่คุณหมอว่าไม่ไม่ริ<ๆ>ตกังวลอะไรก็จับสาทุกค่ะจับตาทุไปที่เชียงรายคุณเอกนอี่น้องกาบนวัส ก, การพระอาจารย์ครับผมเอ็นยังไงวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์เับ ก็ปฏิบัติบูชาอยู่ทุกวันนะครับพระอาจารย์ครับก็เข้ามาร่วมรับฟังครับผมก็ครับผมขอสุภาพพระอาจารย์แข็งแรงพระฐานแข็งแรงครับผมรู้ครับหใจได้นะครับุหลักุญเถื่อนพัฒนาจากบอวินเชลุนเลย เล่าวนมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีคําถามจ้าค่ะนะโมบริบูรณ์ค่ให้สันโดษน้อมมสการพระอาจารย์วันนี้ก็พาคุณยายมากราบพระอาจารย์เหมือนเดิมครับผมคุณยายสบายดีนะคุณยายดีคร <c oughs> ับผม <c oughs> คุณยายบอกให้เข้าสูงตั้งแต่มกเมื่อคืนกับผมพระอาจารย์แล้วก็การรีบเข้าให้เลยครับจริงๆวันนี้คิดไปว่า น, น่าจะพาคุณยายเข้าไม่ได้เพราะว่าจะต้องกลับกับคุณแม่เพราะคุณแม่เลิกสอนดึกครับพระอาจารย์แต่พ็เอิญว่าโชคดีอยู่ๆมันทำมัจัดสรรครับอาจารย์คุณพ่อไปรับก็เลยรีบ ก, กลับมาจัดการเข้าสูงให้คุณยายได้ทันครับอืมอดี ทางพระอาจารย์ส่วนรเรื่องของเรื่องของการปฏิบัติครับพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ครับแต่ช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายร่างกายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้พยายามสู้อยู่ครับสู้สร่างกายคือความเจ็บไายได้ปวดเป็นธรรมดาออย่าไปทุกข์กับมันต้องยอมรับมันครับพระอาจารย์หายก็หายไม่หายก็ก็ อ, อยู่นี้ไปก่อน ครับอาจารย์ครับเป็นบททดสอบครับผมอาจารย์ในเมื่อ ย, ยังไม่เจอตาขาบก็ต้องสู้กับวันนี้ก่อนครับมีอยู่ข้อสอบมีอยู่หลายชุดครับครับอาจารย์พระอาจารย์ครับวันนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับผมคือพอเราฝึกในเรื่องของยอมหยุดเจ็นยิ้มของอาจารย์นะครับบางทีเวลาที่เราเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องที่แบบ มันไม่ถูกต้องที่เวลาคนเขามาทำกัเบเราไงหนึ่งมันไม่ถูกต้องและสองมันไม่ถูกกาลเทศะนะครับอาจารย์คือถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องยอมหยุดเย็นยิ้มไหมหรือว่าเราควรที่จะแบบจัดการทำให้มันถูกต้องด้วยการให้บุคคลที่มีวุฒิภาวะมาช่วยจัดการอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถ้ายอมหยุดเย็นมันก็ไม่ต้องทำอะไรก็ยอมนะครับรเพราะว่าบางทีแบบ อย่างผมเนี่ยที่เวลาชอบเรียนพระอาจว่าโดนเพื่อนแกล้งเนี่ยครับอาจารย์เขก็ออยอมไปเขยอมไปหยุดเย็นไปเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปครับ <c oughs> อันนี้ถ้าเราพูดแนวงการปฏิบัติเราก็ไม่มีพ่อแม่ยอมหยุดเย็นทุกัรณีแต่ถ้าพูดถึงทางทางโลกถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องปรึกษาคุยกันก็คุยกันได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุย อาจารย์บางทีพอมันทําอะไรไม่ได้เราก็แอบคิดเล่นๆเพราะมันสังคมน่าเบื่อจังอยากปลื้มตัวออกมานั่นแหละไปบวชดีกว่าก็อยากบวชนะครับอาจารย์แต่คุณพ่อแม่บอกเรียนหนังสือก่อนให้จบก่อนคราวนนี้ก็ยอมหยุดเย็นไปก่อนทำข้อสอบไปเรื่อยอย่างตอนนี้อาการไม่สบายก็ต้องยอมหยุดเย็นคราววันหน่งกัน ยอมอ่ะแล้วมันจะไม่สบายก็ยอมให้มันไม่สบายเลยอย่าไปอยากให้มันหายอ่ยิ่งอยากยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งไม่สบายยิ่งยิ่งทุกข์ใจอะครับอาจารย์แล้วถ้าเราเหมือนแบบใช้แบบยาหรืออะไรนี้บรรเทาได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ก็รักษาไปแต่ถ้ามันยังไม่หายก็ยอมหยุดเย็นไปยาก็รักษาไปอต่อาการเจ็บไข้ได้ปวดมันยังไม่หายเลย ก็ต้องอยู่กับมันไปอย่ประหยัดให้มันหาย ร, รักษารักษาได้อย่าประหยัดบางทีรักษาปุ๊บจะหายปั๊บใช่ไหมบางทรักษาไม่ถูกวิธีมันก็ไม่หายก็ได้ครั บ, ร บ, บ, บอาจา่ย์ต้องทําข้อสอบต่อไปครับพระจารย์<ม>แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามารายงานครับผมว่าผมสอบผ่านไหมครับท่านยอมหยุดเย็นนะครับ ครั ย, ยอมแล้วค่อยเราจะรักษาเราจะทำอะไรก็ว่าไปทีหลังแต่เสียงแรกทางท า, ง ท, างทางทางปฏิบัติก็ต้องยอมหอยุดเย็นพอเย็นแล้วทีนี้จะมาจะแก้ไขอย่างไรก็ว่าไปแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ครับอาจารย์ได้ครับจะสอบผ่านให้ได้ครับจะไม่แก้แล้วเ อ, อไม่แก้คร <laughs> ัำนี้แหละ ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ค่ะถูกคุณกล้องจากสุล่ายิงโตวันโตคืนไม่เลยนิดนิดอ่าแบบมันอ้วนง่ายค ร, ร, รับอาจารย์ว น, นิดนิดสองเท่าก็้วนละมันก็มีเรื่องเดียวที่รู้สึกว่ายังยังทําไม่ได้ครับปฏิกูลเนี่ยดูปฏิกูลนะฮะมึงไงโอ้ครับ ดูเช่นการของอาหารมันเข้าปากไปแล้วมันไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะลองไปฝึกครับก็ก็ครับดูสภาพ <trails. S 1> ของหน้าตามันเวลามันเข้าไปในปากเข้าไปในทอ้องหน้าตาเป็นยังไงยังเหมือนตอนที่มันอยู่ในจานหรือเปล่าอืมต้องสง่งต้องสง่งต้องส่งภาพไว้ใช่ไหมคระบต้องดึงขึ้<ต>ดูภาพอ่าต้องสานภาพไว้ในใจ เป็นแหวนเป็นแหวนไส้กรอบปไปแล้วให่ครับเห็นครับอเห็น <He S 1> แต่ว่ามันไม่มันรู้สึกเฉยๆอาจารย์แบบไม่ไันมันไม่ได้หยุดความอยากกินได้นะใช่ใช่ก็สักทีขวว่ข้าวรวมข้าวรวมผมว่ากินได้ครับแบบว่าผมกินไงก็ได้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นที่อาหารที่ลเก็ลองก็ลองทานเขาลองว่าเมื่อเวลากาลังงานเลยอร่อยออครับ เนาวตัดเข้าใหม่ๆเดี๋ยวมันอยากจะกินไหมครับโอเคอาจจะอาจจะอาจจะเบรกมาน่าหยุดชนะเลยเอ อ, เ อ, อต้องไปลองครับอยาไปดูอาหารในจานดูดูดานะอาหารให้มันเข้าในปากอร่อยนั่ก่อนขอดูหน้าตามหน่อยนะคลายมันลงนครั บ, รบโอเคครับ <laughs> โอเคนะ ถ, ถ้าอยากจะแก้ถ้าอยากจะแก้ปัญหานี่ถ้าไม่อยากจะแ ก, ก้ก็แล้วแต่ตามใจไมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารายงานครับครับก็ส่วนหรือแ ต, แต่ต้องมีเป้าหมายว่าเพื่อต้องการจะ ห, หยุดความอยากกินไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องการแบบว่าหุ่นดีหรือว่ารูปร่างหน้าตาที่ไม่ใช่หรอกครับต้องการ ห, หยุดความอยากใช่ไหมครับก็มันได้ยังไม่ถึงเวลา ก, กินแล้วมันกินมากเกินไปก็ต้องใช้วิธีหยุดมัน ครับเข้าใจชอใช้ใช้วิธีหยุดความอยากถ้าเราสื่อว่ามีอารมณ์ความอยากแล้วก็ลองแบบว่าไม่ทําตามมันดูอืก็ต้องให้มันนึกถึงภาพที่มันอยู่ในอาหารอยู่ในปาว่าเป็นครับครับครับแล้วอื่นไม่ไม่ส่งแล้วครับเพราะว่าก็พอจะเข้าใจครับอาจารย์ครับตอบครับคุณครับ โอเคไปที่คุณวิลายคอนคุณพ่อคุณแม่วิลายคอนวันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มานั่งปาง่ายเลยการพระาจารย์เ้พิธีมาอยู่ตรงศาสนิกชนในซองเจ้าค่ะพาคุณาแล้วก็พาทีมที่ไปอินเดียด้วยกันมากราพระอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นคุณย่าเป็นคุณย่าเป็นคุณยายของเพื่อนเจ้าค่ะแล้วพามากราแนะนําฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์ให้เพื่อมาฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วพรุนี้พาค่ะ ไร่งีพาเปใส่บาทเจ้าค่ะค่ะโอเคค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะค่ะพอดีเพื่อนมีคําถามจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญนะจ๊ะอ่าเรยนแนะนํ<อ>าตัวเลยอันแรกเอ่ อ, อกับนามัสการหลวงพ่อครับเอ่อชื่อโยลพัฒนะครับมีปัญหาว่าเราปวดจิ้งจกมากเลยคนระับตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยตัวอะไรก็ต้องพยายามเข้าไปหามัน ได้ได้หายกลัวได้พิจารณาดวงตาท่านท่านหลอดท่านใครกลัวเสือท่านอะไรพิจารณาตัวเสือว่ามันมีอะไรน่ากลัวบ้างมันมีผมมันมีขนแล้วก็มีผมมันมันมีขนแล้วก็มีขนมันมีฟันแล้วก็มีฟันมันมีเล็บล้วก็มีเล็บมันมีอะไรแล้วก็มีเหมือนกันหมดทุกอย่างมีอย่างเดียวที่เราไม่มีที่มันที่มันมีเราไม่มีก็คือหาง เรากลัวหางมันหรือป่าเรากลัวหางมันเลยต้องใช้การพิจารณาเมันจะอยหากลัวจริงจอบมันมีอะไรไหมก็มีมันก็มีหนักแล้วก็มีหนังนี่และมันก็มีฟันแล้วก็มีฟันมันมีตําไส้มีตะมีอะไรข้างในมันก็เราก็มีเหมือนกันมันแล้น่ากลัวตรงไหน่ะ ฝึกไว้คใช่เราซ้ำดูแตเน้นถึงดูเราเราก็มีห น, งาานังเราทํามหนังเราเราไม่กลัวเราไปโกนหนังมันอืะใช่ไหครนะับมันมีเนื้อเราก็มีเ น, เ, มเนื้อเราไปโกนเนื้อมันเราไม่โกนเนื้อเราเลยไปฝึกแล้มามารายงานพระอาจารย์ว่าเลิกกลัวได้ยังเราพิจารณาดูอย่านี้ แล้มันก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเราไปเราไปคว้าภาพควากลัวขึ้นมาหลอกตัง้งหลอกตัวเราเองทั้งตัวมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไอ้อย่างไอ้อย่างตัวมันได้ของเราต้องร้อยเท่าห้าสิบเท่าเวลาสู้กันเวลาสู้กันใครจะชนะเราไปกลัวมันเลยกลัวไหนเราเราอยู พระอาจารย์ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงเจ้าค่ะเรื่องเรื่องยายถามไหมคะพระอาจารย์ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเปลี่ยนชื่อค่ะพระอาจารย์เออพอดีตอนเนี้ก็คือขอนิดนึงนะคะพระอาจารย์พอดีเพื่อนอะเวลาถ้าเขาจะมีปัญหาค่ะพระอาจารย์เขาก็เหมือนกับว่าเออไปหาแล้วเหมือนกับว่าถามว่าการเปลี่ยนชื่อมีผลต่อต่อทําให้สิ่งที่จะเกิดแล้วไม่เกิดไหมคะพระอาจารย์โยมก็เคยมีบอกเพื่อนแล้วว่าค่ะนงตาท่านงตาท่านเคยพูดว่า คนชื่อดีชื่อบุญเนี่ยก็ติดคุกก็เยอะแยะนะในคุกก็มีมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อหรอกคนเราดีจะดีชั่วมันอยู่ที่พฤติกรรมการกระทําของเราถ้าเราทําไม่ดีชื่อให้มันดีไงมันก็ไม่ดีนะ่ะติดคุกได้เราไปดูที่คุกจะนี้หมดชื่อในบุญในดีเอมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อก็อยังนะชื่อเป็นเป็นแต่เราสมมติกันขึ้นมาท่านเหง คนเราดีชื่ออยู่ที่พฤติกรรมเวลาเขาจับเราไปเข้าพุกเขาาาก้าตลาดเขาดูชื่อเราหรือเปล่าว่าชื่อดีหรือชื่อชื่อไม่ดีใช่ไหมเขาไม่ได้ดูตรงนั้นเขาดูพฤติกรรมของเราเราไปทําผิดกฎหมายหรือเปล่าทำผิดกฎหมายก็ติดคุกเท่นั้นแหละใช้เหตุใช้ผลเที่คนเราเนี่ยชอบใช้ความงม ง, งายมาเป็นตัวสอนเราไปเชื่อแบบงม ง, งายกันมาเพราะว่าอย่างงั้นดีก็เชื่อตามคก็ เปียนชื่อแล้วจะดีอนาคตจะดีอะไรมันไม่มันไม่ได้อยู่ที่ชื่อหรอมันอยู่ที่ใจไหมปัญยายว่าไงเลยปัญยามีปัญหาถามว่าเจ้าค่ะา่เชิญพูดดังๆหน่อยปวดขาปวดแขนปวดใจอ๋อปวดขาขวดแขนปวดขาเจ้าค่ะ ร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ใจเราอย่าไปโปวดกับมันได้ไหมอืใจเราใจเรายอมรับมันแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับมันความทุกข์ใจนี่มันมันร้ายกากว่าความทุกข์กายถ้าเรายอมรับความทุกข์กายได้ใจเราจะไม่ทุกขกกกกกกก์แล้วความทุกข์กายจะรู้สึกเป็นเล่มเล็กไปไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวเรื่องใหญ่ตัวคือความทุกข์ใจใจเราไม่สบาย เราใจเราใจเราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้ร่างกายมันทุกข์พอร่างกายทุกข์ใจเราก็ทุกข์ใหญ่แต่ถ้าเรายอมรับว่าร่างกายมันต้องทุกข์ด้วยกันทุกคนแม้วแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์ต้องเจ็บตรงนั้นต้องปวดตรงนี้ทุกคนออย่าไปกลัวมันเหมือนมันอย่าไปกลัวตุกแกอย่าไปกลัวจริ้งจบแบบเดียวกันนะเอากลัวแล้วมันก็ทําให้เราทุกข์เราต้องไม่กลัวเราต้องกล้าสู้กับมันอ้าวมึงจะมาก็มามึงจะเจ็บก็เจ็บไป กูห้ามไม่ได้กูก็ต้องอยู่กับไปพญาย์ุคุณญาคพักผ่อนใจไหมใช่ค่ะคุณยายอายุเก้าสามแล้วเจ้าค่ะโอเก่งมากเนี่อยู่กับมาขนาดนี้แล้วยายตรวจถ้าบันชรเก่งมากได้ธรรมาจาักรกับภาว่าสูตรได้หมดเลยค่ะพระอาจารย์เวลามันไม่สบายก็ส่วจบอลไปก็ได้ส่วจบอลไปแล้วใจก็จะสบายทําเจ็บร่างกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดามัน เป็นมากับร่างกายดีไม่พ้นต้องอยู่กับมันไปนะค่ะหมดแล้วเนาะกลับกลัว่าคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะนวัตการเจ้าค่ะคุณพ่อมีอะไรนะคุณพ่อมีอะไรค่ะคุณพ่อมีอะไรไหมคุณพ่อเคยมีกลับกลับพระอาจารย์เร็วผู้น่สัยบาผู้นิสัยบาขนาดใช่ครับโอเคค่ะนวัตการเจ้าค่ะ อที่นี้ยุก็ไปไกลใหม่ไปแอลเออะไรนี่คุณทิสากลับในมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะมาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์เอก็มีเก็บความรู้แปลกๆหนึ่งนะค่ะพระอาจารย์มีเรื่อไม่เหมือนกันนะวีทุกไม่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะลูกก็เพียงปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็เพิ่มเวลามากขึ้น แต่ว่าก็มันก็มีหลงไปบ้างค่ะพระอาจารย์เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีมีมีกิเลสพักเอชักจูงไปค่ะมีคนให้บัตรลูกไปดูแข่งขันกอบสองวันตอนแรกก็ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันก็คิดว่าจะไปแค่ว่าเออไปออกไปข้างนอกไปอยู่สนามกรอบก็ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์กับว่าจะไปเดินตรงกลมพอจริงๆไม่เลยค่ะพระอาจารย์ ไปยืนเชียร์ค่ะพอดีมีทีมเอ่อกอล์ฟกอกอผู้หญิงอ่ะค่ะคนไทยเยอะก็เลยไปเชียร์ค่ะพระอาจารย์ก็ไปใหญ่เลยค่ะก็กีเล็มันก็เลยพาไปก็กล่าวว่าจะไปเดินจงกรมในสนามกอล์ฟไม่ได้เดินเลยค่ะพระอาจารย์มันกีเล็มันหลับเพราะว่าไปเดินจงกรมในสนามกอล์ฟมันต้องไปเดินจงกรมในป่าช้าสิได้ไปเคือ ถึงชั่วโมงแรกพุดโทอยู่พอลังจากรนั้นหายไปเลยค่ะพระอาจารย์มันทับแก้เขินไปทั้งนัน่นเนยเวลาเราทับแก้เขินเนีอยเดี๋ยวถ้าจะไปแบบพอไปพวกไปดีใจไปอะไรมันจะรู้สึกน่าเราไม่มีท่าเลยค่ะพระอาจารย์แต่ลูกปอกไปเธอแบบเดี๋ยวได้บัตรฟรีมาอะไรเงี้ยก็คิดแบบเออบัตรฟรีเนาะไปสัหน่อยอะไรเงี้ยก็แฟนลูกก็บอกว่าไปไปเธอก็ไปเดินเนี่ยเดินไปไม่ต้องไปอะไรหรอกก็เดินไปสิ แหมเป็นตั้งสีห้าชั่วโมงก็พูดโทรไปเลยสีห้าชั่วโมงไม่เลยค่ะพระอาจารย์ไปเชียร์ยืนเชียร์อยู่อ่ะพอดีมันเป็นคือนักกอล์ฟไทยค่ะพระอาจารย์แข่งค่ะก็ค่ะเสาร์อาทิตย์กลับมาก็เหนื่อยค่ะพระอาจารย์นั้งสมาธิก็หลับค่ะเลยวคือเลยคิดโอ้โหแบบสองวันนี้เราแย่เลยพอวันจันทร์คือแบบเข้าสมาธินี้แทบจะไม่เข้าไม่ถึกลมไปเลยค่ะพระอาจารย์ โอ้โหแบบลูกคิดว่ามันไม่คุ้มเลยแต่ว่าก็มันผ่านไปแล้วค่ะอาจารย์ก็อยู่แบบปัจจุบันทาเป็นบทเรียนก็แร้วกคราวหน้าเดี๋ยวมีตัวมามาได้ไม่ไม่เอาแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ดีเหมือนกันค่ะเป็นบททดสอบว่าเป็นไงจิตเราเป็นยังไงบ้างแต่ก็คือรู้เลยว่าไม่ได้ละคือรู้สึกแบบแล้จะได้ถดดีผลเสียระหว่างทางโลกกับทางธรรมนี่ไง ค่ะพระอาจารย์แล้วพอวันจันทร์มาเข้าสมาธิแบบเข้าไม่เหมือนจะเข้าไม่เป็นเลยอะ่ะคือเหมือนจิตมันฟุ้งซ่านมันคงจิตมันคงส่งออกนอกอค่ะคิดนู่นคิดนี่แบบมันไปเจอผู้คนไปเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ญญลแล้วก็สัญญาลมยังตกค้างอยู่ในใจใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิก็คือต้องลุกขึ้นเดินจงกลมเลยค่ะพระอาจารย์ ก็ต้องตอนนี้เลยต้องไม่ใช่โดนจงกลมธรรมดาไม่ได้พุทโทธรรมดานะคะพระอาจารย์ต้องใช้อิติปิโสเลยค่ะพระอาจารย์เอายาวๆเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ก็ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นบทเรียนค่ะพระอาจารย์ก็จะเพียมปฏิบัติต่อไปค่ะแต่กลัวจะประวัติศาสตร์ํารอยจะมากกว่าไม่ไปค่ะนี่เขาเขามีจะชวนไปที่ซานฟานบอกไม่ไปละไม่เอาละ พอดีเพื่อนตอนที่มันตอนที่มันยังไกลมันยังยังใหม่อยู่เดี๋ยวถ้าสองสาวันทิ้งไปแล้วมันเลวนะเดี๋ยวค่ะก็เนี่ยมันจริงๆอ่ะเขาชวนไปตั้งหลายครั้งแล้วค่ะพระาจารย์เราก็ปฏิเสธไปแต่พอดีคราวนี้มันมาแข่งที่แถวบ้านเลยค่ะตรงวิลเชอร์คันที่ขับใกล้บ้านค่ะก็ไปสะหน่อยนี่เขาจะไปที่เถาฝั่งซานฟานเพเปอร์บีชแแถวนี้ลูกบอกไ ม, ไ, ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่เอาแล้ว ไม่งั้นมันจะไปเรื่อยเลยค่ะไม่จบไม่สิ้นค่ะใช่ค่ะแล้วแฟนลูกเขาบอกเนี่ยเขาจะได้บัตรฟรีหนูบอกไม่เอาฟรีก็ไม่เอาละคือไปเหอะไปคนเดียวเลยไม่ไปแล้วบอกเออไปก็ดีเหมือนกันให้เขาไปเลยเราจะได้อยู่บ้านเงียบสงบค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ต้องกลับมาอุดเข้มข้นค่ะรับประสบการณ์ให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนฟังกันจะได้จะได้รู้ผลว่ารู้ว่เป็นยังไงมันไม่ มันอาจจะเป็นที่ตัวลูกเองด้วยมั้งคะพระอาจารย์เพราะว่าเมรอกไม่ชทุกคนอขอหรอคะเพราะว่าจากที่ดูดูพระกา ร, รยาณมิตรทุกคนบางทีเขามีมีงานมีอะไรที่ออกไปเจอผู้คนบ้างอะไรเงี้ยแต่ลูกอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่บ้านตลอดค่ะพอออกไปแล้วเหมือนจิตมันตเตลิดค่ะพระอาจารย์อค่ะพระอาจารย์ความแตกต่าง ม, มันเยอะขึ้นมันสูงขึ้นถ้าคนน อ, อกทุกคนก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าค่ะมันมีมันมีแบบ เหมือนกับผัดสะมันไปเจอสิ่งแปลกนู่นเจอเจอแบบอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะรู้เลยว่าแบบจิตมันตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะกลับมาความตื่นเต้นยังค้างอยู่ค้างอยู่แบบก็เลยแบบโอ้โหพอวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นี่ออกไปพอวันจันทร์กลับมานี่สติหลุดนะคะพระอาจารย์เรารู้สึกเราก็บางทีเราก็กลับมาโกรธตัวเองอ่ะมันมันทําให้เราเหมือนกับเหมือนเหนื่อยอะค่ะกับการที่จะเข้าสมาธิอ่ะแล้วก็ว่าตัวเองว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลับไปคิดแบบเออมันผ่านไปแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงคําพระอาจารย์บอกว่ากรุงโลมไม่สร้างเสร็จภายในวันเดียวก็รู้สึกแบบเออก็แบบก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงนะคะค่ะค่ะไปที่ไอเดโฮต่อคุณทิพย์ประวัตาวไหมตอนนี้ไอเดโฮยังหนาวอยู่อ่ะ วันนี้อากาศดีขึ้นเมื่อวานกับวันนี้ค่ะแต่สาปดาทิตนี้ก็จะลงอีกอค่ะมีพายุไซอนที่<ม>ที่ขุนเขาปะไม่มีค่ะค่ะมไม่มีค่ะอ่าหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมฟังประรัตธรรมของหลวงพ่อที่อ่าสองท่านอาจารย์ที่เคลีย์เม u n t เชนอินเ r v i e วิวะค่ะอาจารย์ น, นิสาโบค่ะ<ม>ฟัง หลายรอบค่ะก็ซาบซึงแต่ก็ยังจัดใจความไม่ได้ลึกซึ้นเท่าที่พราอาจารย์ตอบคำถามเท่าไรแต่ยิ่งฟังก็ยิ่งปิบติค่ะก็ฟังไปเรื่อยๆมันจใจขยอยความเข้าใจมันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต้องลองไปปฏิบัติด้วยนีถ่ถึงจะเข้าใจได้ดีขึ้น ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยังจะเข้าไม่ถึงอก็ไม่เป็นไรใหม่ๆก็ยังเยี่ยทุกคนก็ต้อใช้เวลาศึกษาใช้เวลาเรียนไปเด้เลยถ้าปฏิบัติด้วยมันจะเข้าใจได้ได้ได้มากขึ้นยมความเพียรยังตกอยู่อะค่ะพิจารณ์ก็พยายามเลึก ถ, ถึงอ่า พระอาจารย์แล้วก็พระคุณของพระพุทธเจ้าและความที่เรามีบุญได้ศึกษาไม่ต้องออกไปลำบากเหมือนกับหลายๆคนเลยเนี่ยค่ะแต่มาความเพียรก็ยังน้อยอะค่ะอย่างของพระอาจารย์ยมจะฟังหกแปดสิบชั่วโมงแล้วก็พยายามาทำสมาธิอืม มันก็ยังไม่เริ่มต้นเริ่มต้นจากน้อยไม่หามากเดี๋ยวมันก็จะมากขึนไปเองตอนนี้ได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนมันก็ค่อยๆขยับเพิ่มไปทีละนิดทีนึงเดี๋ยวมันก็ได้มากเองใจเย็นๆขอให้ทําไปก็แล้วกันทําต่อเนื่องเหมือนเต่าอย่าทําแบบก็ต่ายก็แล้วกันทํแบบกต่ายวันวันไหนอยากทํำก็ทําวันไหนไม่อยากทําก็ไม่ทําอย่างนั้นสู้ทําแบบกระต่ายไม่ได้ ทำประทายทำไม่ได้เรื่อยน้อยน้อยอเป็เลยขอให้ได้ทําหรือว่าไม่ทําเจ้าค่ะเราเวลาโยมพักผ่อนนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันเหมือนไม่ได้หลับอะเหมือนมันรู้ตัวมันขยับมันได้ยินแต่บางทีมันเหมือนไม่ได้พักผ่อนนะคะพระอาจารย์มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะ ก็มันอาจจะมีหลายสายเหตุมันไม่ใช่อาชจาการปฏิบัติอย่างเดียวกินของพวกเข้าตุ้นประสาตัวกาแฟาน้ำชาพวกนี้มันก็ทํำให้นอนไม่หลับได้นอนหลับไม่สนิทได้ก็สังเกตดูเลยว่ามันเป็นเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเปล่ามันเป็นช่วงไห น, นสังเกตดูแต่งารปฏิบัติ ท, ทําให้น่าจะมีปัญหาถึงเวลามันจะหลับมันก็หลับ มันมันหลับสั้นนะคะเหมือนกับหลับห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแต่จริงๆมันไม่ถึงยี่สิบนาทีอะคะ่ะยมยมรู้สึกแล้วก็ก็ไม่เป็นไรอะไรถ้ามันไม่นอนก็ไม่เป็นไ ร, ไ ม, น ไ, รไม่นอนก็ดีแล้วลุกขึ้นมานั่งต่ออ๋อโอเคเค่ะค่ะแล้วเวลาโยมว่ยน้ำนี่โยมก็พยายามนึกถึงพุทธโธ แต่มันก็ทำไม่ได้แต่ถ้ายมดำน้ำทำได้มันอันตรายไหมคะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่อันตรายหรอกใช้ได้ทุกทุกทุกแห่งทุกคนทุกเวลาพุทโธนี้นึได้ตลอดเลเจ้าค่ะค่ะก็ซาบซึ้งในพระทำของพระอาจารย์ค่ะทามาหน้ากุติแม้ว่าจะผ่านมาเป็นสิบปียมฟังก็แบบหมอนสิไม่เสียชัดเกิดจ้ค่ะ เวลาว่ายน้ําก็ใช้ซ้ายขวาซ้ายขวาปไปได้ก็ได้ใช้มือมใช้ค่ะโย้ค่ะจะค่ะซ้าขวาซ้าขวาก็ได้ค่ะอย่าไปชิดอะไรเป้าหมายก็คืออยากให้ใจไปคิดเรื่องนันนน้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เราทํำอยู่ค่ะแล้ ว, วาอาการที่เราไม่อยากไม่อยากจะ พูดจะคุยจะพบคนอะไรอะคะอ๋อไม่เป็นไรแหละนก็นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราปฏิบัติธรรมยิ่งมากเท่าไรยิ่งไม่อยากจะไม่อยากจะสังคมกับใครเพราะมันเสียเวลาไร้สาระอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์มากกว่าใช่ไหมมีความสุข ม, มากกว่าเราจิตมันเป็นอากาติเลยป่าคะเหมือนไม่ไม่มเป็น <ทำ S 1> เรื่อง<า>ขอนะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความสนใจเมื่อก่อนเราสนใจเข้าสาังคมแต่แลอนที้เรา เป็นความสนใจอยากการเข้าสังคมมาสืบคัรอยู่วิเวกเป็ี่ยนวิเวกอยู่คนเดียวนะคะไม่เป็นปกติอะไรดีเราอยู่คนเดียวได้มันสงบมีความสุขมากกว่าไม่อยู่ในสังคมอยู่ทังคมแล้วมันน่าจะวุ่นวายใช่ไหมโอเคนะมีอะไรไหมยังไม่พร้อมที่จะถามเจ้าค่ะ ทุกทีไรก็เข้าตัวเองทุกทีอ่ะค่ะโอเคไม่เป็นไรยังไปที่คุณคัตชินต์อ่ะคัตชินยู่ไต้หวันใช่ไหมต้องกราบน้ำมัศการครับไม่มีคําถามครับเข้ามากราบพระอาจารย์ครับร่วมฟังธรรมครับตอนที่ไต้หวันหนาวร้อนวันนี้ร้อนครับเมื่อวานนี้หนาว แร้อนห น, นาวหนักมีหนาวมาก ท, ที่ที่ไต้หวันเวลาหนาวหน้าหนาวหนาวมากนหนาวครับหนาว<ะ>ครับก็สามองศาครับถ้า<ม>เป็นยศเขาก็ติดลบสองก็มีหิมะถ้าไปาาครับถ้าบนเขาก็จะมีแบบเป็นน้ําแข็งเป็นแม่คนันนี้ไอะไร<ม>เป็นเหมือนหิมะครับเป็นแข็งเขาวิ่งเขาวิ่เ ล, เลส ก, กีอัไร ไม่ไม่เห็นไม่เห็นมีนะครับไม่มีเลยไม่เหมือนฝระ่งครับเพราะว่ามันไม่เยอะครับมันมีแค่ไม่กี่บครับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมครับกลับพระอาจารย์ครับโอเคถึงันนี้คุณมาริกาเชนคุณมริการาลาทิวาอันนี้เพื่อนเพื่อเพื่อนมาอยู่ที่นี่แล้วอย่ที่วัญญาณนะครับกลับน้ำมัสเก็นเจ้าพระอาจารย์ครับ ก็ไม่น้อมนําคําสอนของพระอาจารย์ได้มาปฏิบัตินะคะว่าก็วันนี้มาขึ้นบ้านใหม่แล้วนะคะเจ้าแค้วพระอาจารย์เห็นตาเห็นหน้าเห็นตานะคะก็มาอยู่กับคุณโตค่ะก็วันนี้ก็ก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมของก็เตรียมอาหารให้เพื่อนมาจากประดีมาจากเวงเสร็จแล้ว มันก็เยอะเกินพอเยอะเกินมันก็เหลือเหลือก็มันก็เสียนะคะตรงนั้นก็คือการที่ว่าเราเสียคนอื่นก็เหมือนามงทางวิ น, นมันก็คฟังถังแล้วกันก็คือการที่ว่าเได้เยอะเราได้ได้หมดที่ว่าได้มาเยอะนี่นก็คือหมายถึงว่าความภาคภูมิใจโอ้เพื่อนมาเพื่อนมาอะไรลักษณะอย่างนั้นนะคะพอพอใจริงๆแล้วนั้นะ เขาก็ไม่ได้มาตามที่เราคาดหวังแต่ไม่ของก็แต่ก็ไม่เป็นไรออนนก็พอตอนเย็นอีกพอตอนเย็นอีกก็อีกชุดหนึ่งก็มางาก็หว่วงที่ว่าจะไปซื้อนมไปซื้อขนมแต่ว่าที่ร้านมันด้านว้านนะครับคุณจน ก, ก็ไปได้ขนมแบบขนมปังมันหมดอายุเจ้าของร้านเขาไม่บอกให้เราก็ต้องเจที่มาคนผู้ใหญ่เขาทานแ บ, บนมเสร็จแล้วก็คือเหตุปั ญ, ปญหาคือว่า น้องสาวเขาไม่ยอมก็จ่าก็เขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนให้ได้ก็บอกว่าน้องไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะเพราะวันนี้มันขึ้นขึ้วนวันใหม่ของพี่ดูสิของกินที่เราซื้อที่เราสั่งตั้งแต่ตอนเช้ามันยังเสียได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันมันถึงเวลามันก็หมดอายุพี่ไปดูพี่ไปซื้อแล้วก็พี่พี่ไม่ได้ดูเองก็เลยก็ทุกทุกอย่างก็จบไปตรงนั้นก็นั่นแหละคือ ทำสอนของท่น า, านอาจารย์ท่าเรานํามาปฏิบัติแล้วนะครแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้มันคุ้มค่าจริงๆเจ้าค่ะอาจารย์ได้มันรางทีไม่ยอมความผิดมองความผิดของตัวเองไปโทษคนอื่นอยู่ด้วยก็เลยลเป็นปัญหาหนเจ้าค่ะอาจารย์เราผิดเองเราเราไปซื้อของไม่ดูไม่ตามมาตราเลยหยิบมาเจ้าค่ะก็บอกน้องว่า พี่นั้นไปอยู่สุขีรินตั้งยี่สิบกว่าปีพี่ไม่เคยไม่เคยเจอเแบบขนมปังหมดอายุแล้วก็ถ้าหมดอายุเจ้ที่ร้านก็จะบอกว่าคุณครูหมดอายุแล้วนะไม่ต้องเอาไปนะกินไม่ได้เก็จะบอกแต่ที่นี่เ น, นะนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกบางทีเขาอาจจะเผิอก็อา จ, จะผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจก็ได้ใช่ค่ะอาจารย์ ก็เราก็ไม่มันเกิดแล้วก็ปั่นเกิดไปอย่าไปพูดวายกับมันก็เล่ากบบนั้นก็น้องสห็อีกคนหนึ่งก็ทำ l a ไปเผื่อว่าแมวมันจะกินเพราะว่าหมดวันที่สามเนนี้วันที่วันที่เท่าไหร่ก็หลายวัน้ววันที่สองวันที่วันที่สามพอดีใช่ก็นะแหมแล้วก็บอกไม่ไม่ก็หนูก็อยู่กับหนูก็อยู่กับพ่อที่นี้สอคนก็ไม่ไม่มากเหมือนกับอยู่ที่นู้นื็อยู่ที่บ้าน บ้านน้องสานูอยู่กันหกคนค่ะอาจารย์ดังนั้นการการเรียกว่าจะเป็นนั่งในครัวบ้านอย่างนั้นเลยได้รับกร า, ารติจากอาจารย์นะนี่คือแบบว่าลูกก็พยายามที่จะทําพยายามที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์นะคะถ้ต่อคนรอบข้างหรือว่าโดยเฉพาะตนเองได้พัฒนาจิตใจมากยิ่งขึ้นสาสกราบสาธุค่ ะ, ะอาจารย์ครับสาธุอารย์ไปที่คนหัวสุรศนะีฮะ นมัสการท่านผจ้อาวุโสค่ะไม่มีคำถามเจค่ะท่านผู้อาวุโสโอเคเป็นไปที่สเปนเลยบีเซ่อัตลาพรเรียวนามัสการค่นามัสการค่ะหลวงพ่อวันนี้ง่วงเหงาเหานอนเจ้าค่ะหลวงพ่อสงสัยจะทันเพราะจะรัดไปเยอะค่ะ ก็ไม่มีอะไรเจ า, าเค่ะหลวงพ่อบ๊วยบ๊วยนะจงค่ะกบสาธุจเจอาค่ะไปที่ม<ป>ันตายตายตาย่มตายน้องการเม่อสักครานครับอาจารย์เข้ามารู้ฟังธรรมครับอาจารย์ไม่มีปัญหาอะไรโอเคสบายดีนะ นะคะาผอาจานสบายดีค่ะวันนี้วันผ้าถือเส้นแปดใช่ไหมคุณผ้าใช่คะ่ะผ้าจานยังไม่ได้เริ่มต้นจะไปวาดสักทียังไม่มีก้าวแรกเลยค่ะอาจารย์ <c oughs> อยากอยากจะมีก้าวแรกแต่ <c oughs> ยังยังหาเวลามันไม่ลงตัวคะ่ะผอาจานงานเยอะแล้วก็งานเยอะม า, มากๆเลยผ้าจานแล้วก็มันเกิดความเพียแล้วก็ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อะไรเลย อันนี้เราขาดอธิษฐานเราไม่มีอธิษฐานเราต้องมีอธิษฐานต่ไม่ไ้วันวันพระต้องเข้าวันอย่างเดียวตราตัตเป้าหมายอะไรกันถ้าไม่อธิษฐานมันก็ไม่ไปมันก็มีเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้นเรื่องนี้ค่อยดึงเอาไว้ <c oughs> ใช่ค่ะก็จะพยายามค่ะพรอาจารย์มันยังกล้ากลัวอยู่ใจมันยังหัวหน้าผับหงหลังอยู่เลยพระอาจารย์ค่ะ โอเคถามไปถามไดเลยคุณเกรดบันฑิได้ยินไหมคุณเกรดในรับประกันครับหลวง่ครับก็ยังปฏิบัติได้อยู่ครับอาารแต่ว่าจะปฏิบัติได้ช่วงก่อนนอนครับก็จะชวนลูกชายช่วยมาปฏิบัติด้วยกันบครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เขาก็เริ่มทําได้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ครับผมอันนี้สอนง่ายจริงอันนี้สอนง่ายรีบสอนนเดี๋ยวตอขึ้นจะสอนง่ายเี่ยเราจะขึ้นป .1 แล้วครับอาจารย์แต่ว่าโรงเรียนเขาก็เป็นโรงเรียนวิติ์พุทครับเขาก็จะมีให้ตรวจมลทุกเช้าแล้วก็ตรวจตอนกลับบ้างครับ แล้วก็จะมีสอนเหมือนกรรมฐานแบบสิบสี่จังหวะัาพากันผมก็ได้เรียนรู้จากโรงเรียนลูกนะครับธอรมที่แบบผมั็เรียนครับแต่วัดเจดิตก็จะผูกกับอาตานัตติมากกว่าครับอย่างไปนั่งใช้จานอยู่มาจานอารมณ์กดอย่วันนี้ก็ใช่ครับวันนี้ก็ไปมาครับท่านบนว่าท่านเอ่อตรงนี้อากาศร้อนท่านไปจิดนิมนต์ทุกวันท่านก็ค่อนข้างจะเหนือยครับ อืดแดดชุกมาจริงๆชุกแดดร้อนมากครับดืนยืนใช้อยู่ทุกวันท่านท่านเดินฝาใส้ง่านไปทุกวันครับแต่ผมก็จะไปเพราะเออช่วงที่ท่านมาใกล้ๆที่สงการหรือไม่ก็ไปที่อนุสาวรีย์ทุกวันพุธจ้ะครับอาจารย์ก็บัดีว่าพุธที่แล้ววิทยาวัตรกรวัดท่านเสียชีวิตครับเพราะว่าเป็นติดโควิดครับตรงนี้ก็กลับมาอีกแล้วครับอาจารย์ไม่ไม่ติดเองก็ไม่ติดโควิดแน่นะ อ๋อแต่แต่พาบาลทมานเป็นอาจารย์มาก่อนเราจ่แบเหมือนมาชวยดูแลครับต่ไม่ไม่ได้เป็นต้วคนติดโรคเอคนติดโรคเอนยังมีอยู่เยอะไหมโอ้เขายังมีเยอะอยู่ยังก็มีเรื่แต่ว่าพอเขามียาใหกินกดภูมิก็จะอายุยืนครับอันนี้ไม่ตายอันนี้ไม่ตายเพระเหตนะใช่ครับใช่ครับว่ามันยังมี กินยาเรื่อยๆก็เขาก็จะอยู่ได้เรื่อยๆครับก็ แ, แค่ระวังเรื่องโรคแทรกซาอนเท่านาจาค่ะอาจารับเดี๋ยวเดินหน้าีนัก ง, งานก็จะจัดไปพัทยาเดี๋ยวจะไปหาอาตาร์ด้วยครับได้เดิอคไป<ร>ทีเชิยใหม่ไปที่เชิยใหม่แอปสวัสดีค ร, รับอาจารย์กลับน้ำมาทักการคระบอาจารย์ ออ่ก็มมีมีนิดหน่อยครับอ่ามีมีอยู่เร er> ื่องหนึ่งครับพระอาจารย์คือการปฏิบัติครับคือการปฏิบัติคือวันพระผมก็ไปคือคือไปวัดครับพอาจารย์ก็คือหลังจากวันพระมาวันสองวันเราก็จะมีมีมีกําลังที่ต่อเนื่องอยู่แต่หลังไปสักสามสี่วันความขี้เกียจมันมันมีมากครับ แต่เราก็สู้มาอยู่ครับอาจารย์ก็ต้องขีดเช่นทําตารางว่าถึงเวลาเราต้องทำอาจารย์ที่เก็บไม่ที่เกยบก็ต้องทําำเวลากินข้าวถึงเวลาก็กินอยากกินแล้วไม่อยากกินก็กินครับอาจารย์เรามีประมาณนี้ครับคือก็คือปฏิบัติอยู่ตลอดอย่าตามอย่าตามอารมณ์อารมณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ครับอาจารย์เราตักกนตามตารางไว้กําหนดตารางเวลาของการปฏิบัติมาถึงเวลาก็ทํามันครับอาจารย์แต่ก็อยู่บ้านก็จะตื่นอทุกวันครับตื่นมาเราก็ใส่พุทโธยันหลับทุกวันถ้าอยู่วัดถ้าอยู่วัดนี่มันได้ต่อเนื่องครับเพราะมันคือทั้งสถานที่และอ่าทุกอย่างมันเอื้ออนวยครับกับข้าวอะไรทุกอย่างมันเอื้อไปหมดครับมันก็ได้เต็มเต็มบ้อยมากกว่าครับ ครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโ <Okay. S 1> อเคครับอาเดี๋ยวกับสถาปัตการมันจะน้นมุนจะเน้นต่อเน้นอยู่ประทุมเนี่ยเน้นปฐุมธานีฮะสถาปัตย์การครัอาจารย์อยู่ปทุมธานีครับอมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ก็ไม่มีคุณฐานครับก็มารายงานปกติครับว่าปฏิบัติเพิ่มขึ้นครับเออ ยิงปฏิบัติมากเท่าไรน่ายินงดีนะรอรับพอาจารย์โอเคนะสู้ต่อ <Okay. S 1> ไปสู้ไม่ถอยไปที่แมริแลนด์สหรัฐอเมริกาวอชินตันกรรมธรรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ยมเข้ามารับฟังธรรมแล้วก็ ิ๊ก็ฝากมากราบพระอาจารย์เหมือนกันค่ะวันนี้คงไม่ได้เข้ามาค่ะวันนี้เต่งงานนะนีไปหาคุณหมอค่ะ <c oughs> ต่ส่งข้อความมาเรียบร้อยและะ้ว <c oughs> ยงก็ปฏิบัติอยู่ค่ะหลังๆก็สองสามวันที่ผ่านมายงยงก็มีต้องออกไปนอกสถานที่ทำงานนะคะก็ไป <c oughs> <c oughs> เรื่องราวต่างๆข้างนอกไปเจอผู้คนเพื่อนสมัยที่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วก็ ฟุ้งค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนที่ยอมอะค่ะมันกลับมาแล้วมันก็บอกไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องทําให้มากขึ้นก็โยมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่สงบสักทีเดียวแต่ว่างปุ๊บก็นั่งสมาธิปับอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นอย่างงี้มาหลายวันละค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกดีอะค่ะรู้สึกว่ามันมันถึงมันจะฟุ้งแต่มันก็ดึงกลับมาดึงกลับมาบอกนะครับอพยายามจะบอกให้เร็วที่สุดที่ยินดีทำได้ อ่ะพระอาจารย์ยมก็รู้สึกว่าเออไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์เหมือนเหมือนมันสงบไม่รู้ยมถูกกิเลสหลอกหรือเปล่ า, า <laughs> มันอยู่ชื่ <laughs> ว่าเราอยู่เหตุการณ์รึเปาท่านอยู่ไม่มีเหตุการณ์มันก็ไม่ค่อยเกิดกิเลสเท่าไหร่แต่ถ้าไปอยู่เหตุการณ์ไปพบคนนั้นไปเข้าแสงเนี่ยมันอันนั้นมันจะเกิดได้ง่ายายมก็พยายามดึงอยู่กับตัวแล้วก็ พิจารณการสามสิบสองทุกวันพิจารณามั่นาด น, นิสสิทุกวันก็ทําไปเรื่อยจนกว่าจนกว่าจิตมันจะยอมรับความเป็นจริงให้ได้อะคะอ่ะพระอาจารย์พิจารณาแล้วพิจารณาของเราด้วยของคนอื่นด้วยนะจะได้ครจะได้คจะได้บาลานยังเดี๋ยวจะไม่ได้เลาคนเดียวค่เราคนอื่นก็มองมองว่าเหมือนกันอาการสามสิบสองเหมือนกันแกลแกเจ็บตายเหมือนกัน เราจะได้ไม่ไปโกรธเขาไม่ไปเกลียดเขาเพรารู้ว่าเขาเดี๋ยวเขาาก็ต้องตายนะไม่โกรธไป่เกลียดเพราะมค่ะมันก็มีตัวอย่างนะคะพระอาจารย์อย่างเมื่อวานนี้เอลูกไม่ยอมตื่นไปโรงเรียนก็โยงก็แอบหงุดหงิดว่าเอา้าถึงเวลาขึ้นรถโรงเรียนแล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ไปไม่ทันนะคะอื <ooh. S 2> <adapting> เราก็รู้สึกว่า об, เราก็ต้องไปทํางานเราต้องมาเร่งตอนเช้า mm. แต่พอก็พิจารณาอย่างที่พระอาจารย์กล่าวอะค่ะว่า โกรธอะไรโกรธใครสุดท้ายมันก็ตายหมดมันไม่มีอะไรเหลือแล้วกดไปก็เท่านั้นแก้ไขอะไรไม่ได้แนละ้วมันก็แต่มันไม่ได้ทันทีอคะค่ะพระอาจารย์แต่ก็ค่อยๆสงบอะคะ่ะต้องจำต้องจำขึ้นคิดไว้นมันจะได้ตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นค่ะค่ะก็ฝึกฝนทุกวันคะ่ะพระอาจารย์กแบบขอบคุณพระมากเลยนะคะที่คอยสั่งสอนเปน็นกำลังใจให้โยมค่ะพระเจา้าเจ้าพระอาจารย์ ไปคุณยอห้ายยอหรือสี่ยอหรือห้ายยอตามว่าไรไอ้คุณคุณวิไลตอนนี้เขาอยู่ภาพที่โรงแรมที่เราทํางานอยู่ใช่ไหมเห็นเขาพูดไหมให้เจ้าค่ะอ่าหนูจัดการให้เจ้าค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทําบุญแล้วก็ไปฟังธรรมกับพี่เ้าค่ะอืก็จะมารายงานพระอาจารย์ค่ะเรื่องของยอค่ะหนูพอดีหนูน่าจะโดนคีเรตตอกนะคะ สองยอดแรกคือคําว่ายอมนีหนูไม่ยอมแล้วหนูก็ไม่หยุดแต่ว่าหนูมีคำว่าเย็นแล้วก็มีคมําว่ายิงเจ้าค่ะทีนี้ก็คือเหตุการณ์มันก็คือว่าเราเป็นเราเป็นอยู่ฝ่ายคนนะเจ้าค่ะแล้วก็มีก็มีการการแจ้งกันมาว่ามีการช่อโกงหรือช่อชนในเรื่องการทำํำเอกสารซึ่งบุคคลที่โดนกล่าวหาก็เป็นลูกน้องหนูอะค่ะแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็พยายามใช้ เรื่องของสติอะค่ะแล้วก็ความคิดในการพิจารณาว่าเหตุการณ์มันเป็นมายัางไงแล้วก็คือให้ความยุติธรรมกับเด็กด้วยในขณ ะ, ะนะเดียวกันเราก็ต้องเป็น SR ในการตัดสินด้วยจ้าค่ะมันก็เลยมาจบที่ว่าการสอบสวนเนี่ยเราใช้สติในการสอบสวนแล้วก็ใช้ความเมตตาค่ะโดยดูหลักการแล้วก็เหตุผลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยแยกออกเป็นส่วนๆคือส่วนที่เขาทําผิดเขาก็ต้องได้รับผิดโดยให้หนังสือเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ส่วนที่ไม่ส่วนที่เขาถูกหนูก็ช่วยเหลือเขาด้วยการที่อธิบายกับทางฝ่ายบริหารกับคนที่ที่ฟ้องร้องอะจนคดีมันพลิกมันก็เลยเอเป็นคำถามที่มาว่าในบางครั้งที่ที่เราเจอสถานการณ์ที่เราต้องทำหน้ า, ท, า, าที่อะค่ะบางบางครั้งสี่ยอของหนูหรือห้ายอของหนูอะมันอาจจะถูกใช้งานหรือไม่ใช้งานก็คือขึ้นอยู่กับความเมตตาและความมี สติสัมปชัญญะไหมเจ้าคะ่ะเ่อมันก็ก็ยืดไปเหตุผลว่าเราต้องยอมหรือไม่ยอมมันเป็นเรื่องของงานที่เป็นหน้าที่ต้องามมาทำมาทําไปแต่ใจเราก็ต้องยอมผลไม่ว่าผลมันจ่ออกมาอย่างไรเราก็ยอมรับไปค่ะนหนู mm hmm. จําได้ที่พระอาจารย์เคยพูดในไลน์ในในเทศของภาษาอังกฤษคะ่ะ of for the best expect to the worst อ ค่ะก็พูดกับลูกน้องค่ะว่าสิ่งที่เราเอา่อให้ให้ให้ตั้งใจทำดีเข้าไว้แล้วเราจะประสบผลแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าถ้าผลมาเป็นยังไงก็ต้องยอมรับผลกรรมที่เรากระทำมาเนา้ะค่ะคต้องยอมคได้ร<ะ>ับผลออกมาอะไรก็ต้องยอมรับมันไปค่ะเออหนูหนูก็เลยเอาใจจิตตรงนี้ค่ะไปไปแบกมัน เหมือนกับตอนทํางา น, น่ะคะที่หนูเคยบอกว่าเวลาหนูทํางานแล้วหนูกลับมาแล้วหนูเหนื่อยมากเนี่ยมือนไปลบมาใจหนูว่าก็คิดว่าถ้าหนูกลับบ้านเนี่ยหนูจะรีบทานข้าวอาบน้ําแล้วหนูจะรีบเข้าสมาธิเพราะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนูการพักใจก็คือการเข้าสมาธิแล้วเผอิญว่าพอเวลามีเราทุกข์เยอะๆค่ะ หรือเราแบบพัมภาละไว้เยอะปรากฏว่าเข้าสมาธินิ่งแล้วก็ลึกได้มากกว่าในช่วงเวลาปกติด้วยเจ้าค่ะก็ดีก็ดีเป็นที่หลกภัยได้ค่ะอนออนักบอกว่าการที่เราเห็นทุกข์แล้วเราสามารถที่จะจัดการทุกข์ได้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราใช้เอามาปฏิบัติทาได้หรือต้องไหมเจ้าค่ะ มันก็เป็นปัญญาถ้าเราสามารถบำบัดคาจัดทุกด้านก็เป็นปัญญาอืมค่ะก็พรุ่งนี้เหมือนเดิมเจ้าค่ะพรุ่งนี้วันหยุดหนูก็อยู่วัดทั้งวันแล้วก็จะนั่งสมาธิเพื่อเติมสติแล้วก็ปัญญาไปด้วยเจ้าค่ะโอเขอบพระคุณค่ะคุณจอยจอยปัญ อ, อันนี้ก็ยอมไหมยังยังไม่ยอม มีมีแบทปะก็แบบชอบเรียกตลอดเลยหนูก็แบบโอ้ยเป็นยังไงชนะไรือเปล่าบางทีหนูก็แบทไได้ยินไหมคะได้ยินแต่ไม่ค่อยชัดต้องคยพูดกันใกล้เะค่ะหรอกได้ยินไหมคะเออได้ข่ะนะค่ะก็ยอมบ้างค่ะแต่ก็มีมีมีแบทป่อะไรบ้างกไม่เป็นไรอย่าไ่ทุกข์กับมันก็แล้วกันถ้าไม่ยอมก็อย่าไปทุกข์ เราไม่ยอมแบบเย็นค่ะหนูก็ทําแต่ว่าอันันก่อนทําได้คะ่ะเขาด่าหนูก็คิดถึงที่พระอาจารย์สอนว่า<ม>ก็เราก็ลองดา่าตัวเองดูบ้างสิก็เหมือนกันหนูก็แต่หนูยอม<อ>หนูเงียบได้ไม่ไม่เสียงกรอบอ่าค่ะมันไม่มีอะไรคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใส่บาตรมาเดินค่ะพะะพรุ่งนี้มันเกิดเอมันเกิดเอคอนโต้ด้วยคะ่ะเข้าถึงอะไรคอนโต้จะยังขึ้นมาหกใช่ไหมยอนโตไปจะไปแม่ฟ้าหลวงอ่ะ ไปเดินกระลาเขาบอกอยู่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆเขาจะมากล่าวพรจะโอเคแล้วใครใครไปส่งเสียก็ก็พี่ที่บ้านช่วยกันอนะ่ะช่วยกันนะไว้น ะ, โ อ, อะโอเคนะอันทฐานก่อนนะที่คนมาเลยบุทาการวันนี้ไม่ได้อยู่บุทาการมองรู้ตอร์สวัสดีเช้าไหมกัน วันนี้อยู่บางัวทองค่ะหลวงพ่อค่ะก็วันนี้หนุ่มก็ไม่มีคําถามก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อแล้วนี่มีอยุดสี่วันกับเขาอ่ะที่เขาหยุดสี่วันนี้หยุดค่ะหลวงพ่อค่ะู่ที่บางัวทองค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอทําบุญเซ้งควาที่บ้านนิดหน่อยค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะกลับนครนายกค่ะหลวงพ่อ ยังไม่มีที่ไปปฏิบัตินะชว่วงนี้สี่วันนี้นยังค่ะหลวงพ่ อ, อก็ปฏิบัติที่บ้านค่ะอแล้วก็ปฏิบัติอยู่แล้วทุกแห่งทุกบนไม่ใช่ที่ทํางานก็ยปฏิบัติใช่ใช่ค่ะตอนเช้าไปที่ออฟฟิศก็ยังปฏิบัติอู่ค่ะหลวงพ่อในตอนเช้ามีเวลาพ่ปฏิบัติก่อนแล้วก็พอเข้างานแปดนงครึ่งก็มาทํางานแล้วก็อตอนเย็นกลับบ้านแล้วก็ตอนค่าก็ปฏิบัติ ต่อค่ะคุณพอก็ทาแบบนี้ทุกวันอ่าแล้วปฏิบัติอะไรถ้าระยายอย่าทิ้งมันนะรักษามันไว้นอกจากว่าถ้าถึงฝั่งแล้วถ้าหมดหน้าที่แล้วหมดงานแล้วก็ไเป็นไรแต่ถ้ายังไม่หมดทุกหมดอะไรก็ต้องทําต่อไปนะทิ้งแล้มันจะเสียได้นะที่เรากลับมาทําใหม่มันจะยากมีไม่ไม่ทิง้งค่ะหนูพ่อหนูคิดอยู่ตลอดว่ามีโอกาส ก, รรก็จะไป อฏิบตัตที่มันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าเดี๋ยวหนูดูเดือนหน้าเนี้ยค่ะหนูหนูจะไปที่โคราชหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะหลวงพอ่อแต่ว่ามันต้องจองที่พักก่อนนะคะหลวงพอ่อถ้าถ้าได้หนูก็ไปค่ะหลวงพอ่อคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามีโอกาสหนูหนูจะไปแบบนี้ตลอดหนูไม่ชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> คือมันมันมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะ <Hey. S 2> หลวงพ่อแล้วเป็นแล้เป็นควานิยมใหม่นะเมื่อก่อนนิยมเที่ยวตอนนี้นิยมไปปฏิบัติธรรมแทนค่ะค่ะหลวงพ่อคื อ, อมีเวลาถ้าสมมุติว่าเราทํางานเนี้ยก็จะพยายามเปิดธรรมะเปิดครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยฟังค่ะหลวงพ่อแล้วก็บางทีวันวันหยุดก็เข้าฟังหลวงพ่อแต่ว่าไม่ได้ถามคําถามไปอะคะ่ะจะฟังอยู่ข้างนอกค่ะหลวงพ่อ ท้อนเทศคุณูบาจย์แล้วมันก็ดีนะมันมีข้อคิดเยอะแยะเลยใช่ค่ะบางทีบางทีจะมีจุดคำถามที่เราสงสัยอย่างเงี้ยข่ะหลวงพ่อมันก็เหมือนให้เรามีแนวทางที่อ๋อจะทำยังไงไปถึง<ม>ตรงนั้นแล้วจะปฏิบัติยังไงแล้วจิตเราจะวางแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหรือว่าเราติดเราควรจะเอาจิตเราไปไว้ตรงไหนเวลาที่มันเข้าสมาธิ ที่แบบว่าสงบนิ่งลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แต่ละองค์ก็คือมีมีแนวทางที่สอนคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ก็จุดหมายเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะพอเคยฟังองค์ตาหมาบวมัวมากว่ป่ะฟังค่ะหลวงต า, าหลวงตาก็ฟังแล้วหาชุดเตรียมพามาฟังเลก็ได้ตอนแรกหนูฟังหนูไม่ห น, ไมหนูไม่รู้เรื่องค่ะ<ม>พ่อ<ม>แล้วพอมาหนูมาปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้วหนูพอไปฟังย้อนเนี่ยมัน มันคือใช่ทุกอย่างเลยค่ะ<ม>หลวงพ่อเพียงแต่ว่าตอนแรกหนูอาจจะไม่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจภาษาที่ท่านสื่อออกมาคือมันต้องฟังซ้ำซํำๆฟังบ่อยๆฟังแล้วแล้วก็คิดตามแต่ละจุดที่ท่านสอนก็ ค, คือมันเป๊ะเป๊ะหมดเลยตามที่หลวงพ่อสอนที่หลวงตาสอนอย่างนี้ค่ะอืมหลวงตานี่เป็นธรรมะที่อ่ ท่านสบายแล้วก็ถึงเพชรถึงเข่งคุยง่ายๆท่านสอนหนูหนูชอบตอนที่ท่านสอนออสอนพักอะค่ะสอนสอนพักแล้วก็มียอดโยมนั่งฟังด้วยมันมันถึงใจมากเลยค่ะมันคือสอนสอนทุกอย่างที่หลวงตาสอนสอนทุกอย่างแล้วหนูก็ฟังซ้ำเนี้ยนะคะหลวงพ่อแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้โหทาไม ทำไมหนูมาช้าอย่างนี้ยค่ะมันก็คิดอย่างนี้แต่หนูก็พยายามที่จะที่จะทําถึงหนูไปไม่ถึงจุดหมายหลวงพ่อคะ ถ, ถ้าถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติแล้วเราเราตั้งความหวังไว้เยอะแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดมันเกิดความท้อเนี่ยหนูจะหนูจะสอนตัวเองว่าถ้าเกิดเราท้อเราก็มีมีโอกาสเลย แต่ถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติแล้วเราไปไม่ถึงแต่แต่อย่างน้อยก็คือเราได้เข้าสู่ในทางแล้วอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อทำให้มันให้มันมีความพยายามที่ที่จะเดินไปให้ถึงตรงนั้นนะคะหลวงพ่อแล้วก็เวลาฟังครูบาอาจารย์เทศหนูก็จะเอาจุดตรงนั้นนะ่ะมาสอนตัวเองแล้วก็มาพยายามที่จะเดินเข้าไปถึงให้มันถึงนะคะหลวงพ่อค่ะ ก็ทาไปบางครั้งเรา่า จ, จะอยากอยากมากเกินไปนแล้วอาจจะทำํำไม่หลอดทอนได้ก็ลดความอยากลงหนยค่ะคือมันเหมือน ถ, ถ้าเกิดทำเท่าที่เราทําได้มันมันมีความรู้สึกว่าคือเหมือนคนจะทําอะไรให้ได้จะเอาให่ได้อย่างเงี้ยข่ะหลวงพัน ม, มันมันไม่ได้เสมอไปแล้วมันไม่ได้เสมอไปค่ะหลวงพ่อ มันมันก็เลยรู้สึกว่าให้คิดถึงว่าให้คิดอยู่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนกวามสำเร็จนยู่ที่ไหนก็แล้วมันียังไม่ได้ก็พรุ่งนี้ทําต่อค่ะแต่แต่ไม่ควรที่จะทิ้งไม่ควรที่จะท้อถูกไหมครับไม่ม่ควรจะทิ้งไม่ควรจะถอยอืพักได้บ้างถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวว่าพักสักหน่อยก็น่ผ่อนคลายหน่อยมันเต็มเกินไปมันเหมือนทางสายกลางเราไม่เต็งเกินไปไม่หย่อนเกินไปค่ะ ทีอยากบางทีอยากจะได้ผลมากๆ ม, กมกันก็เลยพยายามทมาํามากทํามากแล้วบางทีไม่ได้ผลมันก็เลยท้อค่ะหลวง่อแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจคือเราก็แบบสบายๆอย่ายงเงี้ยมันจะจะดีกว่าจะดีกว่าใช่ใ ช, ใช่ค่ะอย่ า, อ ย, าอย่าไม่อยากได้ผลมันอยากได้ได้เหตุก็พอขอให้ได้ปฏิบัติกัแล้วกันส่วนผลจะได้มากได้น้อยก็ช่างมันตาม<ะ>ตามมีตามเกิดไปค่ะหลวง่อ แล้วแล้วบางทีนั่งปฏิบัติดอกเดี๋ยววันนี้ขอนหนึงอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็คือยาวไปเลยค่ะหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไปตั้งความหวังมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเคใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อไม่ตั้งไม่นําไปตั้งเลยค่ะเพราะทำไมได้เรื่องแค่ะหลวงพ่อหนจะไม่ทิ้งค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติทุกวันนะคะอืมโอเค อขอบพระคุณค่ะขอบพรคุณคหลวงพ่อมากค่ะสาธุค่ะไปที่คนคนเลสีชาหายหน้าไปนานเนี่ยกลาวนมาสการมาจานเจ้าค่ะเอาฟังฟังข้างนอกเจ้าค่ะหนูพ อ, อไม่ไม่ทันเวลาก็เลยฟังข้างนอกดีกว่านะคะมาร่วมแล้ฟังเฉยๆเจ้าค่ะค่ะวันนี้คนเข้ามาน้อยเพราเสร็จบวชแล้วเนี่ย แล้วเจ้าคะมีอะไรไม่มีคำถามได้ห น, หนูหนูมีนิดนึงก็ได้เจ้าค่ะอตอนนี้พยายามจะฝึกเดินแล้วก็อยู่กับเท้าซ้ายเท้าวขวาแล้วก็ลมหายใจนะคะ เ, เวลาเราจะเดินไปประชุมหรือว่าเดินกลับามาที่ตึกอะไรเงี้ยค่ะแต่คำเนี้ยบางทีพอเราพยายามตั้งใจเหมือนกับหายใจเข้าออก ไปพร้อมๆกับก้าวที่เราค่อยๆเดินสลับไปนะคะมันมันมันมันไปเอาแค่เท้ามาพอแค่เท้าเท้าอย่างเดียวก็เท้ามันดูง่ายกว่านมมันดูยากกว่าค่ะค่ะนมนี่ไว้ดูตอนในเวลานั่งเฉยๆมะอ๋อจ้ะค่ะเวลาทําอะไรให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแทนอืมจ้ะค่ะค่ะก็พยายากหรือใช้คําบริกรรมพูดโธไปก็ได้ อืมอ่ะแต่ดูลมและดูยาคยาควรจะดูเฉพาะช่วงที่นั่งสมาธิอย่างเดียวที่เรานิ่งๆใช่ไหมนะคะใช่อืมเจค่ะค่ะก็ก็น้อมปฏิบัติเจ้าค่ะพยายามจะให้มันได้ตลอดตลอ ด, ดลอดเวล า, ลวลามันควรจะทำได้ตลอดเวลาถ้ากิดไปเรีอยๆต่อไปมันก็ทำได้เจ้าค่ะ ค่ะ <Okay. S 2> เอามากราบพัาฟัเจ้าค่ะค่ะสาธุาาค่ะไปดิคุณดาคุณดมีคําถามอยากไปดูไหมตอนนี้ยังไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่มีเลยนะไม่หมดวันที้หมดเดีวนะคนไม่ได้เข้ามาแล้วเราไม่ได้เปิดแอรเข้ามาไม่ครับวันนี้วันนี้ก็สี่สิบสามคนนะฮะรอบที่แล้วก็สี่สิบสี่ฮะหายไปคนหนึ่งฮะลดไปคนค น, คนยังไม่มีคําถามอะไรไม่ค่ะเลย เวลามันก็เลยผ่านไปแล้วมีใครอยากจะทำอะไรไหมเปิดเปดโอกาสให้ทมได้อีกรอบเลยนะใครอยากจะทำแล้วก็ยกเงิขึ้นมาคลินแอปครับพ่อจย์ครับพ่อาจารย์บางทีเราพิจารณาครับแต่บางทีเรายังสติเรายังไม่มีกาลังที่มันจะไปพิจรารณาเวลามันมันเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วมันเอาไม่อยู่ครับใช่ครั ต้องฝึกสติสมาธ่ให้มากๆก่อนแล้วคพิจารณาครับบางทีเราก็พิจารณาอย่างเช่นคนก่อนม่นอ่าคนก่อนก่อนก่อนก่อนหน้านี้ครับเราพิจารณาว่าเออตัวเราเนาะว่ามันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายพิจารณาถึงคนอื่นก็พิจารณา เวลามันพิจารณาอย่างเนี้ยคือมันพิจารณาออกอยู่ในใจมันพอได้ครับอาจารย์แต่เวลาเราเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วมันไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับได้มหมเพราะว่าสติเรามันยังไม่ไม่ไมทันเนี่ยครับฝึกสติให้ว่าต้องฝึกสตใิให้ให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ให้จิตเข้าสมาธิได้แนลสติเรามันมีกําลังมาก่ที่เลนนะครับครับ อะรยังเข้าสมาธิ like ไม hmm. ่ได mm ้แสดงกิเลสมันยังมีมากกว่าถึงการแม้เราเข้าสมาธิที่เราเข้าสมาธิไม่ได้ก็เพราะกิเลนเนี่ยครับอาจารย์พยายามฝึกสติให้มากมาแล้วทำสมาธิให้มันเข้าให้จิตมันสงบให้ได้ตอนนั้นนั้นมันถึงจะทันกิเลสครับอาจารย์ผมครับก็ฟังคือเข้าใจอย่างที่อาจารย์พูดเพราะ ฟังแบบมันอยู่ในใจเลยครับแต่แต่คือทำไม่ไยังไม่ย<อ>ังมันยังไม่ถึงผมคือสักระระเต็มที่ตลอดเลยครับอาจารย์ไม่เคยผมนี่เต็มที่เลยนะคื อ, อตอโยไม่ว่าอยู่วัดไม่ว่าอยู่บ้านคือส่วนใหญ่ผมคือเป็นอาจจะของกิจการครับอาจารย์คืองานมันก็เบาบางมากผมตัดงานแทบทุกอย่างแค่ไม่มีงานเลยครับก็คือพยายามจะะะเจริญสติอยู่ ทุบดีทำไปเรื่อยๆเนี๋ยมันใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวสติมันก็กยัต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะไปเองครับอาจารย์แต่ผมผมผมรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยครับคือเราก็<ม>าทํางานไปเรื่องพูดโธงานที่เราไม่ได้อ่าใช้ความคิดเราพุดโทตลอดแล้วมันโอ้โหมันมันมันเวิร์กมากครับมันดีมากเลยครับอาจา<ใ>จ<ม>รย์ใจสบายไม่หนักอกหนักใจไม่ไม่ใช่ใช่ครับมันมี ก็มันเนี่ยมันมันมันมันดีมากเลยครับดีมากแล้วก็คือมันเป็นคาคือหลักๆก็คือได้คําสอนจากท่าอาจารย์เนี่ยครับคือมันมันพลังมันมันโอ้พลังมันมันมันมากจริงๆครับอาจารย์ขุมความคิดมันก็ไม่มีอะไรมากสติคําเดียวแล้วนะจุดสำคัญที่สุดนะครับอาจารย์โอเคพยายามสร้างสติขึ้นมาเพราะญาติบอกสตินี่มันทำที่สําคัญยิ่งใหญ่ที่สุด ท้าไม่มีสติแล้วทําอย่างอื่นเกิดขึ้นมาไม่ได้ธรรมาที่ปัญญานี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติพระอาจารย์ครับน้อมน้อมครับพระอาจารย์อยากจะถามว่าผมติดทั้งโลกอะอยากรวยอะครับพระอาจารย์<ม>แต่ก็อยากเกิดมาชาติเดียวก็อยากให้แบบว่ า, าให้ขึ้น <จะ S 2> ความตายเมารครับอะผ่านทางครับให้คิดถึงความตายบ่อยๆรวยรวยไปตายไปก็ไปไม่ได้ทั้บาทเดียว ด้วยไปทํำไมแต่มันอยากดีอยากเด่นอย่างเงพระอาจารย์ครับก็เหมือนกันนะดีเด่เข้าไปไม่ได้เหมือนกันอยากไปดีอยากไปเด่ให้ให้ให้อยากอยากอยากเป็นคนอยากเป็นแจวดีกว่าอยากเป็นที่ข้าดีกว่าเจ้าสอนให้เราทําตัวให้เป็นประทับใจอ่าแล้วจะสบายใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไป ต้องไปแสดงอะไรกับใครต้องไ ม, ไม่ต้องไปยืนยานตัวตนทําตัวเราให้ตับต้อยแล้วจะสบายครับขอน้อมทําไปปฏิบัติครับพระอาจารย์ตัวเราเหมือนคนตายเพราะในที่สุดเดี๋ยวเราก็ต้องตายเห็นไหมฝึกตายก่อนตายน้าเราจะสบายครับแล้วความอยากรวยอยากเด่นอยากนํามันจะไม่มีรวยไม่ทำามเด่นเลยเวลาดรวยเวลาตายมันจะทุกข์มากนะ มันทุกแสนสหาหัสเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราต้องสูญเสียสิ่งที่เรามีไปแต่ถ้าเราอยู่แบบพรานทานในรยะตายมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพรไม่มีอะไรจะเสียดายอ๋อครับว่าอาจารย์ครับ อ, อย่างที่บอกเนี่ยคนที่จะทุกข์มากที่สุดก็คือเศรษฐีเ ย, ยิ่งยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เวลาตายเพราะมันต้องเสียหมดใช่ไหมมีน้อยล้านมันต้องเสียร้อยล้านมีพันล้านมันต้องเสียพันล้าน แต่ขอทานนี่ไม่มีอะไรจะเสียมันก็ไปทุกข์ท่าไหร่ก็อย่าไปอยากรวยอย่าไปอยากเด่นอยากดังนะอยากเป็นขอทานดีกว่าอยากอยู่แบบขอทานแต่ในเมื่อกิเลรมันอยากแบบว่าแบบว่าทานองแบบว่ามันเมือนแบว่เกิดมารั้งทีก็อยากอยากเด่นอยากดังเนี้ยพระอาจารย์มันยังไงอ่ะครับก็อยากที่บอกมัน ถ้ามันไม่มันไม่เด่นไม่นำก็ไม่อยากมันทําไมก็มันทุกข์ถ้ามันจะมันจะเด่นจะนำก็เด่นมาันดามมานานแล้วนะที่คิดอย่างนี้อ๋อครับสาสกการสุคางครับผมเราไม่ได้ทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วจะเด่นจะนามันหรอกใช่ไหมเป็นเรื่องของบุญกรรมของเราที่เราทํามาเป็นเรื่องของบุพกรรมใช่ไหมครับอาจารย์บุพกรรมถ้าไม่ไทํามันมันก็ไม่มีอะไรมาทําให้เราเป็นได้ แต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกคือคาลิสมาใช่ไหมครับเราไม่ใช่คาลิสมาจะว่าเป็นคาลิสมาเหมือนกันโงแห่งโงแห่งภาษาจีนคนที่มีโง่แห้งคาลิสมาคนที่มีเหมือนกับมีอะไรนะนหละแรงเรื่องดูใช่ไหมว่าอาจารย์มันมีมันมีบารมีถ้าพูดภาษาไทยก็มีมีบารมีมันมีบารมี คารัาร บ, บ <ผม S 1> ท่กับบาชมีผมมีบุญมากครับที่ได้น้อมกับพระอาจารย์ถาทุกครับโอเคขอบครับุณไปที่คุณปางตอนทางว่าอะไรขอรับถามสองคำถามเจ้าคะ่ะคำถามแรกคือกุศลละบทกุศลกรรมบทสิประการนะคะเลเวลของของ ประโยชน์ข้อเนี้ค่ะมันเป็นเลเวลเดียวกับสิลห้าศีแปดไหมเจ้าค่ะมันก็เหมือนกันอ่ะกุศลศร์บทนี้เขาก็แบ่งไว้ทางกายทางทางวาจาและทางใจมันก็ศีลสมาแลวก็ศีลแลวก็สมาธิหรือปัญญาทางกายก็คือไม่ทำบาปไม่ทาบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ไม่ผิดประเพณีแล้วก็ทางวาจาก็มีอยู่สี่ ไม่พูดปอดไม่พูดคำหยาไม่พูดพระเจ้าไม่พูดสอเสียทางทางใจก็คือไม่โลภไม่กอดไม่หลงอุศน์อุศนลบสิบแล้วก็มันก็สิ้นสมาธิปัญญานี่โอ้เพราะนั้นคือยิ่งๆเรารักษาข้อส่วนดีทั้งหมดเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เราเอสามารถที่จะสร้างสิ้นสมาธิแล้วก็ปัญญาได้มากขึ้นใช่ไหมตัวค่ะคือกุศลและบอดเนี่มันมันรวมถึง ถึงว่าระที่ละเอียดกว่านอกจากพูดปดเล่าไม่พูดคำหยาดไม่พูดเพื่อเจอไม่พูดสอเสียดนะคะนวหนูก็หนูก็ไปคิดว่าพวกบางทีเราเราเป็นเอาแล้วเราอาจจะทําเฟ้นนิ่งให้พนักงานด้วยค่ะบางทีเวลาเราสอนพนักงานแล้วอาจจะต้องมีแบบคําหยาด อ, อยู่นิดหน่อยมีพูดเพื่อเจออยู่นิดหน่อยให้เขาสึกตลกขึ้นมาหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นมันต้องถ้าจะทําข้อนี้ให้ดีคือเราก็ควรหลีกเลี่ยงในเรื่องของการ ใช้วัดไปด้วยพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์นบ่ายอย่าไปพูดพื่เชื่อย่าไปพูดตลกอะไรเนียอาจจะได้บ้างนิดหน่อยตลกเธอ<ม>อให้เกิดเป็นเหมือนกับชูรถก็ได้แต่ตลกอย่ า, ยาตลกจนว่าทั้งไม่มีน้ำไม่มีสะไม่มีเนื้อมีแต่น้ำไาจารยาค่ะเดีไปปฏิบัติต้อคะ่ะส่วนข้อที่สองหาคะคือหนูว่าได้ ได้อ่าจัลย์ยังไดมิตรท่านหนึ่งอ่ะเขาเขาให้คถานมาซึ่งเป็นคาถามาจากเออน่าจะเออเชื่อได้นะคะทางภาคจังหวัดภาคกลางอะคะ่ะเป็นคาถาเหมือนคาถาคาถาสะท้อนกลับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็ลองมาคิดดูแล้วคือเหมือนกับถ้าคนคิดไม่ดีกับเราะคะ่ะก็จะก็เขาก็จะสะท้อนกลับไปแต่ว่าใช้หลักความเมตตาเป็นหลักหนูก็ลองเอามาเอามาท่องดูะคะ่ะท่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะคะ่ะมันก็เหมือนกับตอนแรกเราเหมือนจะพยาบาทนะเจ้ะค่ะ พ อ, อทําไปทํามามันเหมือนกับแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นก็ใครมันมันคิดขึ้นมาแว บ, บเดียวว่าทําดีได้ดีทําช่วได้ชัว่วอันส่วนใหญ่เนี่ยคาถาพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เน้นพวกเอ่ออากุศ ล, ลกรรมใช่ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่คาถา แ, แล้วแต่ใครจะแต่งขึ้นมาซึ่งเราไม่ต้องเป็นคนผสนใจไม่ต้องสนใจสนใจคาถาของพระพุะธเจ้าของค่ะได้นะคะ คาถาหนูเห็นว่ามีคาถาเงินล้านอะไรต่างๆนั่แหละมันเป็นเรื่องของพานิชมา ก, กดาพาุทธพาณิชมากะลหลายก็ต้องการนี้คอก็อเลยไผลิตคาถาต่างๆขึ้มาตอบสนองความอยากตัณหาของคนอีกทีคาถาที่พระเจ้าให้ทิ้ท่องไว้ว่าคือเกิดแก่เดียดตายเนี่ยท่องไว้เลยอันนี้ไม่ใครมีใครชอบท่องกันเท่าไหร่ค่ะแล้วหนูเห็นตามปฏิทติท่อง น, นี่หนูเริ่มท่องตาม อาการทารีบสองเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยค่ะท้าวพะเจ้ามีแค่นี้เจ้าคา่ขะขครับไม่มีใครอยากจะถามอะไรไมากมันนี้เวลาเยอะหน่อยยัง ม, มีคำถามจากเฟซบุ o กครับค่ะา ม, ามีคําถามจากทางยู u ูบหนึ่งคำถามเจ้าคะ่ะคําถามจากคุณข้าวฟ่างกาเรียนถามพระอาจารย์ว่าการละสมุทรไทยหรือความอยาก ทำได้ด้วยการเจริญสติไปเรื่อยๆในช่วงแรกจนถึงจิตรู้ทันแล้วจะเกิดปัญญารู้แจ้งตามมาใช่ไหมคะกาบนรรส ก, การคะ่ะ อ, อปัญญามันไม่ตามมาหรอกมันไม่ตามสติมาหรอกสติก็จะหยุดความคิดหยุดกิเลสได้เป็นชั่วคราวเ mm hmm. วลาเรามีสติพุโทธโธพุทโธมันก็จะไปคิดถึงขนองไม่ได้คิดถึงภาพยน์ไม่ได้ไปคิดถึงเรงไม่ได้ไปคิดถึงเพื่อนไม่ได้ มันก็ความอยากที่จะไปทําสิ่งเหลนั้นก็จะไม่เกิดจิตสงบมันกนกิเลสก็ถูกกดไว้ชั่วคราวแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอไม่มีสติพอล้วสติมันก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะเกิดกิเลสเกิดความโลภ ก, กิดความอยากขึ้นมามีวิธีที่จะแก้ความโลภความอยากก็คือเราต้องพิจารณาไตละเราพิจารณาว่าสิ่งที่กิเลสอยากได้ เช่นรูปเสียงกลิ่นรสขนมนมอะไรอะเรพวกนี้มันเป็นความชุบชั่วคราวมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ไม่ยั่งยืนกินมาปพบแล้วยวก็หมดและหมันรับความสุขที่ได้อย่างนั้นก็หายไปความหิวความอยากก็เกิดขึ้นมาหมายความทุกข์ก็ตามมาใหม่ถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะต้องมาทุกกับการหากินหาดูหาฝังอยู่เรื่อยๆก็หยุดความอยากเสียทีกออย่าไปอยากมันซะ มันเดนเหมืาเสรจติดเนี่ยพวกนี้พอเสพแล้วมันติดแล้วต้องพอยเสพเรื่อยๆเวลาไม่ได้เสจแล้วมันจะทุกให้คิดอย่างนี้เนี่ยคือปัญญามันต้องสอนมันไม่ได้ตามมาโอัตโนมัติปัญญาคนส่วนใหญ่ที่ว่าถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดไม่เกิดสมาธิให้ความสงบให้โอเบกขาสมถ้ามีสมาธิแล้วมันได้โอเบขาแต่ไม่ได้ปัญญาอยากได้ปัญญาต้องมาพิจารณาต้องมาศึกษา ต่ละมีคำถามเข้ามาเพิ่มเจ้าคะ่ะคำถามจากคุณเจศ ด, ดาพรคะ่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่คิดจะลาออกจากงานเพื่อให้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นบวชชีถ้าเราทำได้และยอมทิ้งเงินเดือนถือเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติไหมคะทำงานก้าว น, าน ก็ราะเราเปลี่ยนจากการหาสตางค์มาหาสติแทนคนฉลาดหาสติคนโง่หาสตางค์มาแล้วนะแสดงว่าเราก้าวหน้าเราฉลาดขึ้นถ้าเรายังบัวหาสตางค์อยู่แสดงว่าเรายังโง่อยู่ตายไปแล้วะคนโง่หาสตางค์คนฉลาดหาสติเพราะคนฉลาดรู้ว่าสตินี่เอาไปได้เวลาตายไปเนี่เอาสติไปได้แต่สตางค์นี่เอาไปไม่ได้ แต่คนง้อไม่รู้คนง้อก็เลยอยากจะหาสตางค์เยอะๆอยากจะรวยเนี่ยจะมีเงินเยอะแล้วลตายไปก็ตายไปแบบไม่มีสติสตางค์ไปไม่มีสติไปสตางค์ก็ไม่มีมีคำถามเข้ามาอีกเจ้าค่ะคำถามจากน้องลินหลิ่งพระอาจารย์คะเมื่อเป็นปุถุชนหากว่าบวชใจ พอดีในเรื่องการรับประทานอาหารใจจะสอนว่าทานให้ร่างกายพออิ่มลดความอยากลงพอดีหนูไปกินข้าวกับครอบครัวกินด้วยความอร่อยวันต่อมาเหมือนอาหารเป็นพิษท้องเสียกับอาเจียนแต่คนอื่นรับประทานไม่มีอาการผิดปกติหนูต้องลดความอยากและความอร่อยลงใช่ไหมเจ้าคะ อ๋อก็ไม่เกี่ยวกันหล่ะมันอาจจะเป็นเพราะอาหารที่เรากินมันเป็นพิษขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่เกี่ยวกับการที่เรากินเพราะมันอร่อยอะไรไม่เกี่ยวกันค น, คนอื่นคนอื่นเขาคงจะกินด้วยความอร่อยเหมืลนกับเราแต่วันนี้อาหารที่เขากินมันไม่มีพิษมันก็เลยไม่ได้ท้องเสียไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแม้แต่ภาพของมันกินอย่างท้องเสียได้เลยอาหารกินแบบซ้ำรวมกินแบบไม่ ไม่ได้กินได้เพื่อความอยากมันก็ยังท้องเสียได้มันไม่เกี่ยวพนละเรื่องกันมีคําถามเข้ามาเพิ่มค่ะจากคุณไบรท์มีทั้งหมดสามคำถามเจ้าค่ะคําถามแรกการไม่อยากมาเกิดอีกเพราะรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ถือเป็นวิภวัตปัญหาหรือไม่คะไม่เป็นแบบเรียกว่าเป็นมั่งเป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นเห็นอริยสัจสี อันนนี้ไม่่ใชเเป็กิลคําถามที่สองการมุ่งสู่พระอนาคามีถือเป็นภาวะปัญหาหรือไม่ที่ต้องการไม่ใช่ยศศักดิ์ชื่อว่าคือพระอนาคามีแต่เพระาะทราบว่าหากบรรลุตั้งแต่ขั้นพระอนาคามีขึ้นไปจะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามพุอีกค่ะก็อย่างที่บอกมันเป็นมรรคแลนเป็นเป็ น, ปนมรรคหนี่ย ฉันทามิเริยเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นกิเลสความอยากมันมีสองแบบความอยากที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่เป็นธรรมะก็มีเป็นอยากทําบุญนี่ก็เป็นธรรมะอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธินี่นี่ว่าเป็นความอยากที่ดีนี่ความอยากทํางธรรมเป็นมากมากที่จะนำไปสูก่การหลุดพ้นจากการเียนบ้านตายเกิด แต่ความอยากริ่มอยากรวยอยากได้นดริ่มยุตสธรรเสริมสนุนอนี้แหละเป็นกิเลสเพราะมันจะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายไปเรื่อยๆคําถามที่สามรูปฌานและอรูปฌานคืออะไรคะขอบพระคุณมากค่ะ อ, อ๋อคือความสงบระดับต่างๆใช้สติเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปนั่นเดี๋ยวมันก็จะเข้าถึงความสงบของรูปฌานและอรูปฌานไป คำถามต่อไปจากคุณเอ ก, กชัยกราบเรียนถามครับการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเพียงอิริยบทเดียวใช่ไหมครับแปลว่าไม่จำเป็นยังไม่ใช่เลยถ่านจะนั่งสมาธิให้จิตมันเข้าเข้าฌานได้มันต้องมันต้องหลับตาถ้ามันลดินตามมันยังไปติดอยู่ที่รูปอยู่มันก็เข้าไม่ได้ะอะไรจะเข้าไปต้องปิดวา ปิดตาผมจะหมุนดินกาไม่ไปสัมผัสได้ร่ว ก, กับรูปเสียงกินตัดครับบนนี้ยังเข้ามาเรื่อยๆเลยเจ้าค่ะคำ<อ>ถามตเดี๋ยวอ้ามเดีย ว, ยวให้คุณพระอาจา์มากราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีลูกมีคำถามมันีโอกาสคือว่าลูกเป็นคนกลัวการนั่งเครื่องบินพวกกลัวความสูงเจ้าค่ะ ในนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยต้องนั่งไปที่โคโดไปเยี่ยมเเออมัมกับแด๊ดนะคะสามีคุณพ่อแม่สามีลูกใช้วิธีคือเอพอขึ้นเครื่องลูกใช้สติก่อนเพื่อให้ใจสงบเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าใจสงบแล้วลูกก็พิจารณาไตรักถูกต้องถูกต้องอยอมแล้วมาทำกายมันไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องตายมันห้ามันไม่ได้ อยู่ที่ไหนก็ต้องตายถ้าถึงเวลามันจะตายเจ้าค่ะพอพอสติพอใช้สติแล้วเนี่ยเหมือนกับ น, นั่งสมาธิอะเจ้าค่ะคือมันมันรู้เห็นแล้วว่าเราไม่มีความกลัวผุดออกขึ้นมาลูกก็เลยใช้ไตลักษ์ต่อขนาดที่อยู่บนเครื่องบินเพื่อให้มันอยู่กับสถานการณ์จริงแล้วก็ใช้ไตลักษ์คิจารณาไปแต่ <c oughs> ทีนี้ถ้าใช้ไตลักษณ์แล้วมันยัง คือมันยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ขาดก็คือเราทําอย่างนี้เรื่อยๆถ้ามีโอกาสให้มันยอมรับให้ได้ต้องยอมรับยอมตายให้ได้ยอมเห็นว่ามันดีไม่พ้นควาตายแล้วที่ไม่ยอมรับควาตายมันจะทําให้เราทุกข์ซึ่งมันทรมานมากกว่าการยอมรับความตายเดียวเก็จะตัดเราจะเราจะเห็นทางเรื่อยนว่าถ้ายอมหรือไม่ยอมถ้ายอมอะยอมมันจะไม่ทุกข์ ถ้าไม่ยอมจะทุกข์อย่างที่ตนมันถึงจะรู้ว่าจะต้องตัดสินใจองไรอือเจอค่ะทีนี้พอลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยคือใจมันมันเบาคือมันเลยไม่รู้ว่ามันเบาเพราะสติหรือมันเบาเพราะว่าเรามพิจาราะมันััมนเบาเพราะมันไม่ไม่ต้องไปเสี่ยงความตายยังยังไม่เกิดอะไรขึ้นบนเครื่องยังเป็นกิเลสอยู่ยังเป็นกิเลนอยู่ถ้ามันจะเบาต้องเบาขนาดที่อยู่บนเครื่องยอมตายแล้วนะอ๋อ เจ้าค่ะดังนั้นลูกก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆนะเจ้าค่ะก็คือใช้สตินใช้สติทําใจให้นิ่งก่อนให้มีโอเบนค่ะแล้วต่ตงสมาธิใช่ไมคแล้วก็แล้วก็ใช้ปัญญาแล้วพิจารณาไปในที่สุดปัญญาไปเจอที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์อยากจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อืมไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ก็ก็ใช้เทคนิคไปกอปไปเลยชะนะคะมันจะอยู่ที่ตัวคําเมื่อทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าอยากจะทุกข์ก็ถ้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมยอมอยู่เย็น เจ้าค่ะเมื่อก่อนลูกไม่ทราบอ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยบอกว่าทุกมันเครื่องตลอดเลยทุกตลอดเวลาเจ้าค่ะนั่งเครื่องบินก็ทุกแต่พอได้มาศึกษาแล้วที่พระอาจารย์สอนลูกก็เลยใช้เทคนิคนี้ได้รู้แล้วแล้วแล้วเบลทุกได้ด้วยสติแต่ยังไม่พอยังยังไม่ยังไม่ขาดต้องใช้ปัญญาให้มันรู้สึกหายไปเลยต้องยอมรับความตายให้ได้เนาะตายก็ตายมันถึงวันนี้มันจะมาตายให้มันตายไปเนาะ พอยามนับใจมันจะโล่งมันจะเบามีการลงจากเครื่องอะไร่อนะแต่ไม่ต้องลงจากเครื่องมันน่าจะเบาตั้งแต่อยู่มันมันเครื่องเลยไหมคะใช่มันเริ่เบาตั้งแต่อยู่บนเครื่องเนี่ยเธอเนี่ยปล่อยแป่ว่าปล่อยไอ้เบาบนเครื่องเนี่ยคือเบาเพราะสติยังคุมอยู่สมาธิยังคุมอยู่ใช่ไหมเจ้าคะไม่แล้วถ้ามีปัญญายอมด้วยมันเบาจริงๆเลยเบาๆถ้ามันยอมยอมนักความจริงได้ยามรับร่างกายจะรับตายเนี ถ้ามันจะตายวันนี้แค่ ย, ย้อนให้มันตายได้ตอนนั้นมันจะเบาจริงๆเลยแล้วเบาแบบแบบเบาแบบไม่ต้องใช้ต่อไปไม่ต้องใช้สติต่อไปมันจะเบาแบบหายไปเลยต่อไปมันจะไม่กลัวความตายต่อไปเลยอืเจ้าค่ะพอนั่งเครื่องปุ๊บรูกก็เข้าสมาธิปั๊บเล <c oughs> ยเจ <c oughs> ้าค่ะคือปิดสวิตปุ๊บเลยคือเหมันจะรู้ตัวแล้วว่าปุ๊บอันนั้นมันมันมันดับด้วยด้วยสตินคนี้แต่มันจะ<ฮ>ไม่ไม่ไม่ไมถาวีา่ย แล้วค่ะมันก็เรียกว่า temporary solution เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเจ้วค่ะเจ้าค่ะถ้าอยากจะหาแก้ปัญหาอยากถาวรต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาใจรักออแล้วค่ะแต่ลูกขอเอาสติเข้ามาก่อนเป็นเป็นช่วงแรกก่อนแล้วก็ใช่ใช้ต้องใช้สติกอนต้องมีสมาธิก่อนนี้ถึงจะไปทาปัญญาได้ถ้าไม่มีไม่มีสติไม่มีสมาธิไปทางปัญญาไม่ได้ เจ้าค่ะลูกกลัวว่าแบบพอนั่งปุ๊บเดี๋ยวมันฟุ้งทันทีเลยก็เลยใช้สมาธิคุมระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มพิจารณาไปรักต่อเจ้าค่ะแต่คือเจ้าค่ะทุกทุกทุกสถานการณ์และเจ้าค่ะเจ้าค่ะรูกได้เทคนิคแล้วแต่ยังแต่ยังไม่ได้เข้าันในเทคนิคยไรอยางรใช่ยังไม่ยอมลองยังไม่ยอมลองก็คงมีสักวันเจ้าค่ะจะใช้เทคนิคนี้ลูกคงมีสักวันเจ้าค่ะแล้วเม่อเราเจอตอนเทคเี่ยงมัน ใหมันนั่งสันมั่งคลอนเนี่ยอันนั้นจะเจอของจริงทีนี้ได้รู้เลยเล้วค่ะว่าที่ไหนแล้วอาจารย์จะปล่อยหรือไม่ปล่อยจะยอมหรือไม่ยอมนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นแนวทางเจ้าค่ะโอเมีใครไม่ถ่ายกระถางในอ้อมไม่มีจะได้ไปที่คนละต่อค่ะคุณนายพลคุณสาธกา อาจารย์อยากจะถามวิธีที่แบบพอเวลาเราต้องไปเจอผลนิสิติ t h i n ิ i n พอเวลาเรานั่งก็คนนู้อันนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ดีคือพยายามใช้สติแล้วใช้อะไรทุกอย่างแล้วอ่ะใช้ปัญญาเลยเวลาเราไปเจอของเน่าเหม็นเราจะทำไงเราก็โยนทิ้งไปเลยเดินเดินหนีไปเลยนี่เป็นได้อย่างของเน่าไม่ดเอาาจรย์นะเวลาการต้องใช้ฟุตโต้ใช้สติ เฉยๆไปคือคือมันเป็นที่หน้าที่ที่เราทำไปแต่แบบมันอย่าไม่เปลี่ยน เ, าเขาท่านนี้อย่าอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปรับเกณย์เขาเกาจะเป็ยนยังไงก็ไปเขาเป็นไ ป, ไปคือพ อ, พ อ, พอนี้ปุ๊บเขาก็จะพูดแต่อันนี้ไม่ดีถ้าเราไปพูดเราก็เลยตอนเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราไปพูดต่อต่อเหมืนที่จะต่ อ, ต, อต่อไปเรื่อยๆเพราะปกติอลูกไม่ค่อยชอบยุงเลยชาว บ, บ้านไง ก็ยังก็ยัก็ใช้เฉยไปไงเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นหน้าตาลูกแตบเวลาคือลกกูกเอาเวลาพ่อลูกอะ่ะก็จะขึ้นคือแต่เขาก็เป็นคนเกรงใจลูกที่สุดอ่ะนะแต่พอขึ้นไปเขาจะอ น, นุ่นไม่ดีคนนี้อยู่ไม่ดีอะไรไม่ดีสักอย่างเลยลูกก็แบบลูกก็นเลยตอนแรกลูกอะ่ะอืม เขาเป็นส้ให้เป็นกล้วยไม่ได้คือเขาว่าต่างกับแม่แม่ลูกฝึกกล้วยไงใช่คนรักษายเนี่ยปล่อยเข้าไปก็จะทําอะไรก็ได้ของเขาแต่ทีนี้พอพอเสร็จแล้วลูกลูกก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าลูกไม่ได้แบบอะไรหรอกแต่ลูกแค่แบบหงุดหงิดว่าทําไมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเป็นเน็จมันเป็นเนเจอร์เขาแต่ลูกก็คิดว่าเออลูกคงไปอยักอะไรอย่างเงี้ย เรายายก็ไม่ไม่เป็นอย่างนี้เราก็เป็นแล้วเลยทุกข์บางทีเราก็พูดเราก็รุดพูดไปว่าเอ่อคนเราบางทีอ่ะไม่ดูแต่คนอื่นเลยไม่รู้ตัวเองมันคิดอะไรบมันมีนิดนึงเราก็แบบไม่นัาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่นเราไม่ยอมหยุดยั้ยไงเราไม่ยอมเขา ไม่ง่ายลูกอะบางทีลูกก็พยายามเปิดอะไรเอาแบบที่ลูกเบี่ยงเบนอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆลูกก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราว่าพอลูกก็จะบอกว่าแต่คนที่แบบจะจะมีปัญหาคนแรกที่คิดถึงคือลูกแต่ลูกแค่แบบเออแต่ลูกก็บอกว่าลูกก็ไม่ได้ไปฝั่นสอนนะอะไรอย่างเงี้ย แค่ฟังอะไรแต่เขาก็รู้ว่าลูกลูกลูกแบบนิ่งเยอะเพราะว่าลูกบอกเลยปัญหาของลูกคือคือลูกมีคือพูดลูกเป็นคนไม่ชอบอยุ่งกับใครชอบอยู่เฉยเฉยไม่ค่อยยอมลูเเล่นชาวบ้านอะไรทุกอย่างไงแต่ว่าถ้าลูกจะทนได้แบบจนสุดแล้วก็มันก็จะแบบปีดปีดเดี๋ยมันจะไปเยอะบ้านเลยว่าจารย์แต่ลูกไม่ได้แบบเดี๋ยวนี้ลูกไม่ได้ปีดเยอะขนาดนั้นนะ แต่ลูกแค่รู้สึกหมุดหีิหกุดหิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ายังสอบต่ออยู่เออแล้วอย่างเมื่อวานเนี้ยแฟนนอะค่ะเออลูกก็พยายามลูกก็ว่าลูกดีขึ้นแล้วนะแตอเออเขาอะดันมาดีดใช้นิ้วว่าดีดหูลูกอย่างแรงเลยอาจารย<ม>์น้ําตามันร่วงแปะแล้วลูกลูกก็รู้ลูกก็เคยบอกแล้วว่าลูกอ่ะไม่แบบ ไม่ชอบอะไรที่ชอบแย่แล้วให้ลูกกิดหีดลูกก็รู้สึกว่าลูกอ่ะเอาบิดไปตีเอาไปตีบ้างอะละและลูกอ่ะใจลูกคิดแค่ว่าคนเราอ่ะถ้าเขาไม่ชอบอย่างไงอ่ะก็อย่าไปทำหรอกเขายาหน้ันนียลูกนึงในใจลูกเมือนสอนเขาแต่ลูกก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วลูกก็แบบเดินเข้าไปในห้องแล้วลูกก็ไป นอนเพราะลูกนึกถึงคำที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าบางทีการที่เราโกรธแล้วคนอื่นคนที่เราโกรธเขาอาจจะไปโกรธกันได้ลูกก็เลยไปตรวจอีพิโซแล้วลูกก็ น, นอนนอนอยู่อย่างนั้นแต่ลูกไม่ได้โกรธด้อะ ไ, ไรนะแต่ลูกวานได้ไวแหละแล้วลูกก็ไปนอนแล้วก็ตรวจอีพิโซบปกติแบบลูกตั้งแต่แต่งงานวาเลยอะถ้าลูกโกรธลูกส่วนมากอะ กุ๊บดิกุ๊บดิกันแต่มันไม่ใชัยเรื่องอะไรหรอกอาจารย์คือเขาอ่าดีมากแต่อีเรื่องที่ชอบแย่นี่แหละลูกอะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ลูกว่าไม่ชอบก็เลยบอกว่าลูกไปตรวจอิติวิโสแล้วลูกก็หลับไปแล้วก็เช้ามาลูกก็นึกคําว่ายอมหยุดเย็นแล้วลูกเข้าไปขอโทษเขาปู่เขาดีใจมากเป็นแทนแปลงที่ลูกลูกยอมลูกก็ว่าลูกโอเคแล้วนะแต่เนี่ยแหละสองเรื่องของลูกอะ มันดูไร้สาระนะถ้าเทียบกับอันอื่นอ่ะมันไม่ได้หนกักไอ้ที่หนักหนักอะ่ะลูกว่าอย่างเฝ้าแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ตอนหนักหนักไม่ได้กินไม่ได้อะไรใครว่าอะไรอ่ะลูกไม่รู้สึกอะไรแต่ละไอ้อย่างเงี้ยมันละเอียดอะ่ะกับคนใจตัวลูกก็ไม่ได้ออกไปอะไรมากมายอาจารย์มันก็อยู่แค่คนใก็้ตัวแค่เนี้ยแต่ลูกก็มันก็เลยแบบ ี่ลูกเรามันถ้าฝึกดีๆจะต้องนิ่งมากใช่ไหมอาจารย์ใช่ yeah, ต้องใช้ต้องทาอําใจเฉ่ก็จะทําอะไรก็อ ย, mm hmm. อย่าหงุดหงิดเราประหยัดให้เขาไม่ทํำก็เลยทุกแต่ลูกก็ลูกก็เข้าใจพอเวลาันติ๊กขึ้นมาลูกก็เออเราไปอยากอะไรตามตามที่อันนั้นนะ่ะแต่เราอาจจะอุเบกขาเราไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ yeah, อุเบกขาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีนั <laughs> ่นก็ลย <laughs> โอเคนะยังคนเลยรออยู่นะโอเคไปคุณชานิสาคุณชานิสาเชิญครับค่ะพระอาจารย์เมื่อสักครู่พอดีได้ฟังคุณสุภัสชาถามพระอาจารย์เรื่องเรื่องความกลัวใช่ไหมคะกลัวเครื่องบินแล้วพระอาจารย์บอกว่าก็ให้ให้ให้รับกับมันให้ได้ทีนี้หนูก็กลัวเหมือนกันคือกลัวการนั่งนถ ที่มีคนขับเร็วๆะค่ะพระอาจารย์คือเคยเกิดเคยหลับนายขับรถเองแล้วค่ะหลับนอีกนิดเดียวก็จะไปชนต่อหม้อสะพานแล้วพอเอิญตื่นขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ขับขับขึ้นมาเลนปกติตั้งแต่นั้นมาเวลานั่งรถไครแล้วแบบขับเขาขับเร็วอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะรู้สึกแบบแพนิคคล้ายๆประมาณแพนิกคือต้องบอกเขาว่าอุ๊ยช่วยเบาๆหน่อยได้ไหมมันเกินร้อยแล้วนะอ ย, อย่างนี้กลายเป็นของเราไม่มีความสุขในการนั่งรถเลย หลังจากที่ฟังพระอาจารย์เราพระอาจารย์บอกว่าให้ hey, จะตายก็ให้มันตายไป<笑><笑>ช่วงช่วงที่ผ่านมาสองสามเดือนนี้เวลานั่งรถเราก็พยายามนั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็มันก็หยุดได้นะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันยังมีความรู้สึกใจหวิวหว่วะค่ะพระอาจารย์อันนี้มันมวมันยังไม่หาย ม, มันยังไ ม, ม, งไม่หายกลัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่างนีง้ย<ม>หายกลัวร้อยเอร์เซ็ต์ก็นยยอมตาย ถ้ามันจะตายก็ยอมตายอ๋อก็คือตั้งท่องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมพระอาจารย์ต้องสอนใจถามกันมันกลัวตายใช่ไหมไม่ยอมตายใช่ไหมค่ะลองคุยกระใจดูคุยกับกิเลสดอ๋อการหนีหรือว่าการไม่ผเผชิญหน้ากับมันนี่คือไม่ใช่ทางแก้ใช่ไหมคะใช่ต้องเชิญต้องประเชิญกับความจริงอย่างนี้ครับค่ะถ้ามันนี้มันจะตายก็ ต, กต้องยอมตาย มันก็จะถ้าไม่ยามตายมันก็จะทุกใช้สติมันก็มันก็มันก็มันก็ทำให้ทุกข์หายไปชั่วคราวเนี่ ย, ยพอสติเผลอกลับมามันก็ทุกข์อีกอ๋อไอไอความหวิวนั้นก็คือสติเผลอไปแล้วเราก็มันมันคือมันไม่ใช่การหายไปชั่วคราวเราเพียงแค่ระงับความกลัวได้สักครู่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้ามันเป็นปัญญาปัญญามันระงับได้ถาวรอะไร อ๋อก็คือปล่อยอะยังไงจะเป็นยังไงก็ป ล, ปล่อยมันไปเลยจะไกลก็เกิกนค่ะเคยเคืคิดไงคะว่าเอ๊หรือว่าเราจะหนีไม่ไม่นั่งกับคนนี้ดีคือแฟนนะคะพ่อของลูกเขาชอบขับรถเร็วเวลาไปไหน<ม>ที่จะต้องพาลูกไปเที่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>คือแบบโอ๊ยไม่อยากไปด้วยเลยถ้าสมมติว่าขับรถเร็วๆจะทําทยังไงดีถ้าไม่ไปลูกก็ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบทุกทุกทุกครั้งที่ขึ้นรถ ทุกครั้งที่แค่น้องกทุกๆใช่ทุกทุกครั้งเลยก็เลยพอฟังพระอาจารย์มาเรื่อยๆก็พยายามทําใจเรื่อยพุโทโธพุโทโธลองหลับตาซิพุโทโธโอ้ยมันรู้สึกวิววิวมันหายกลัวก็จริงแต่มันรู้สึกวิววิวในใจอเอางั้นลองลืมตาแล้วพุโทโธซิโอ้ยหนักเลยค่ะทีนี้ต้องยอมตายนะมันจะตายก็ตายว่ายอมตายแล้ว ม, มัก็หายกลัวเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวต้องลองก็ลองคิดว่าหรือไม่ไปดีไม่ ม่ไเล่นไม่ไม่ไปเมา่อนี้มันไม่ไม่ยังไม่ทาข้อสอบใช่ใช่ค่ะถ้าอยากจะทําข้อสอบก็ต้องไปถ้าอยากจะรู้ว่าสถานหีืไม่ผ่านก็ต้องไม่ทําข้อสอบค่ะมันมันไม่ใช่เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราโง่เองที่ไปทําร้ายตัวเองหรือว่าไปเอาตัวไปเสี่ยงไปอยู่ในที่เสี่ยงเองอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือเรายังทําใจไม่ได้เอง เรามันมันเป็นเราไม่อยากไปแต่มันอยู่ในสถานการณ์ต้องไปใช่ไหมค่ะมอกจาว่านอกจากว่าเราเย็นดีที่จะเลิกกับแฟนแล้วไม่อยู่ด้วยกันนะ คือมันกลัวทุกคนเลยค่ะว่าอาจารย์ที่เขาแบบขับรถลอยถ้าลอยขึ้นเนี้ยบอกโอ้โหใจหวิวแล้วต้องต้องคอยบอกเขาเฮ้ยลอยแล้วลอยแล้วมันกลัวตายไม่ใช่กลัวความเยอะกลัวตายใช่ไหคะมันยังคือกลัวตายอยู่กลัวตายคือคือหนูก็คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าถ้าเราไม่ขึ้นรถเราก็น่าจะยังทําอะไรได้อีกมั้ยอะไรคิดว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดยังไงกันแน่มันเป็นกลัวตายหรือว่ามันยัง ยังปงไม่ได้ยังยังไงถ้านด้ล่ะปรุงไม่ได้ก็ไม่ยังไม่ยอมตายค่ะยังยังอยากอยู่ไม่ยังไม่ยอมตายโอเคต้องพยายามอย่างที่พระอาจารย์แนะอ่าแนะำค่ะลองลองลองจะลองดูค่ะปล่อยมันเลยอปล่อยมันต้องตายวันใดวันหนึ่งถ้ามันจะวันวันนี้ก็เป็นไปจะได้หมดหัวหมดกำหมดกันทันทีอ๋อ เคยเคยนั่งเครื่องบินแล้วมันตกหลุมอากาศแบบแรงมากแรงมากครั้งนั้นก็แบบพูดโทพูดโธแต่เครื่องบินเราไม่เห็นข้างนอกไงคะไม่เห็นข้างหน้าว่าเครื่องบินมันกําลังบินไปจะชนอะไรอยู่มันรู้แค่แบบว่าเอ้ยมันอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวมันก็เลยโอเคเป็นอะไรก็เป็นการเพื่อนเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าพอรถยนต์เนี่ยมันแบบมันหวิวมากแล้วยิ่งรถเล็กใช่ไหมคะก็เลยยจะทําใจยังไงดีมันมันไม่กลัวแต่ทําไมใจมันหวิวไม่กลัว S <S <im> มันคือกลัวใ่ฮะกลัวตายไม่อยากตาย <ขอ S 1> ค<ร>ะ่าายะค่ะพระอาจารย์จะจะทดสอบดูค่ะพระอาจารย์กราบอขอบพระคุณค่ะไปที่คุณพระรดาพระรดาหายหน้ามดานเข้ามาหนาะทุกเข้ามาเลยการค่ะระอาจารย์ค่ะพอดีที่ไปปฏิบัติเขาที่แล้วค่ะอ่ะเหมือนว่ามีโครงสร้างทนเนี้หนูก็เลยใช้การสามสิบสอง แล้วก็ไปกลับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็นึกภาพแล้วก็มันก็ค่อยๆแยกแยกออกทีละทีละอย่างทีละอย่างไปจนจนมันหมดเลยไม่ในความสึกคือไม่มีอะไรเลยก็เบาคือคือเคลียเคลียความฟังสั่นตรงนั้นได้ไปเลยค่ะผมก็เลยสงสัยว่าเราควรใช้การใส่สองหรือว่าใช้พุโทโธเหมือนเหมือนเดิมได้แบบไหนก็ได้มันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถทํำมา ใช้แบบความพูงสา่นได้แล้วแต่เราเรอ๋แล้วแต่สถานการณ์สถานการณ์แล้วก็แล้วแต่ว่าเราด้วยเราอยากจะใช้ไหนก็เลือกใช้อยู่กันตอนนี้มันอยากจะใช้เหมือนมันใหญ่ใช้การใส่สองข้อว่าก็ใช่ไหมก็ใช้ไหมปัญญาแลกแบบว่ามันมันมันเหมือนมันมีความรู้สึกว่าดีกว่ามุทโตมันได้ปัญญาด้วยมันได้ปัญญา เพาะมันจะเห็นแล้วล่างกายไม่มีตัวตนไม่มีเรามันแค่อาการฐาที่สองนั่นเองเรามันก็ว่างยาวเลยเหมือนมันคสบายยาวยาวกว่าโ อ, อเคค่ะพอาจารย์อันไหนก็ได้อันไหนที่เราได้ประโยชน์ ม, มากกว่าเราเล่าออ น, นั้นไปค่ะค่ะค่ะเข้าใจค่ะถ้าพูดโทนเป็นสติถ้าอการฐานสองนี่มันเป็นปัญญาดับทุกข์ด้วยปัญญามันจะท้าวมอนกว่า คัทำด้วยสตมมันจะช่วงค่ะเพราะว่าตอนมันก็สงบแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่มันจะบอกว่ามันกมือนกันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนเป็นแน่นกะ่าถ้าใส่ผมด้วยปัญญามันแน่นกวามอามาออกจากสมาธิมันก็อย่างแน่นมันก็ยังขับนึกได้แล้วนึกได้เร็วใช่ดีแล้วล่ะฝึกอาจฉริยะที่สองนี่ได้ยิ่งดีตอตแรกหนูว่าหนูไม่รู้จะทําไงหนูก็เลย น, นึกไปนึกกลับนึกไปแล้วนึกภาพไปทีนี้ก็เป็นดึงออกออกไปเรื่มก็เดินจงกรมนะคะภาร์ทาร์เอ อ, เ อ, อได้พยายามทํำบ่อยๆแล้วเพื่อต่อไปจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ด้วยร่างกายนี้มั น, มนก็ไม่มอาการธาติสสองไม่มีตัวรำอย่างนี้เราเป็นตัววราเองเราเป็นคิดเ่าเองว่าเราเป็นร่างกายมันเห็นชัดชัดมากเขาก็แบบเมื่อก่อนมันพยายามเหมือนจะดึงแต่มันเหมือน คิดมันเหมือนคิดแต่ว่ามันไม่เป็นเหมือนทรั้งเนี้ยค่ะอ่ามันเป็นความจริงมันไม่ใช่เป็นความคิดเนี่ยมันเป็นจริงแล้วมันทําได้ไม่ยาวแบบนี้ค่ะเหมือนครัเมื่อก่อนที่พยายามเมื่แป๊บเดียวมันก็อ่ะมันก็เลยดมดแรดแแต่อันนี้คือหลายรอบแหละต้นคือแบบเป็นจนแบบจนมันพอเราเหมือนกับถูกถูกไฟบังคับให้ให้สู้ถ้าเราไม่สู้เราก็ความความคุกค้างก็ไม่หายใช่ไหม เพราะว่าอยู่คนเดียวก็มไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะมันก็ยังขุดเหมือนหนูเข้าใจคําที่ครูบาอาจารย์พูดว่าขุดคุยออกมาเนี่ยอยู่เรา อ, อยู่เฉยๆมันมันมันไม่ออกมามแต่อยู่คนเดียวมันก็ยังออกมามันจะออกมาให้เราเห็นได้แบบเนี้ยอ่านี่ยแหละตามปฏิบัติไปค่ะขอบพระคุณข่าวอะไรจัโอเคหนุนรัชแล้วเมื่อกี้เปคนยกมืออยู่หายไปแล้วบาททีนะ่บุณหลายับ มีอะไรไหมมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดแปดคำถามเจ้าคะ่ะทุคำถามรแรกเมื่อต้องการจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะเมื่อต้องการ Happy No Birthday การเดินที่ถูกต้องจากง่ายไปยากควรเริ่มอย่างไรคะก็เริ่มจากทางสิภาอนะทำบุญทำทานให้มากเป็น อยาเอาเงินทองไปซื้อความสุขทานตาผมจะบอกง่ายๆอยเอาเงินไปเที่ยวอยาเอาเงินไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรทำนองนีน้ไปซื้อของแบรนด์เนมซื้ออะไรเอาเงินคุณที่ใช้แบบนี้ไปทําบุญให้หมดนก่อนแล้วก็รักษ า, ษาสิ่งทาให้ได้เลิกดื่มชัวรายาเมาเลิกเล่นการพนันเลิกเลิก เ, ล ก, เลกเที่ยวแตะอะไรทำนองนี้น แล้วต่อไปก็ฝึกสิ้นแตะแล้วก็ไปหาที่สมบฝึกนั่งสมาธินยนความน่สมาธิเจริญสติความเทศความธรให้บ่อยขึ้นทงทุกวันเลยก็ได้ศึกษาธรรมะความเทศขอ ง, ของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันทนไปเรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณก้องเรียนถามพระอาจารย์ เมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราตายไปเกิดชาติหน้าเราจะสามารถมาเกิดในพุทธศาสนาได้อีกหรือไม่ขอรับก็แล้วแต่จังหวะจังหวะที่มันจะเจอก็เจอจังหวะไม่เจอก็ไม่เจอว่าเราไม่รู้เนี๋ยวเราจะกลับมาเกิดมนุษช่วงไหน้วพระพุทธเจ้าอ ง, องค์ใหม่จะมาตัดทรุเมื่อไหร่ใช่ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะ เม the end, the one, well. ือนกันเหมือนกัเราขับรถไปที่สี่แยกไฟแดงนะแล้วเราไปเจอรถที่อยู่ข้างขวาเรารถอยู่ข้างซ้ายเราแล้วทางน้าเราไปจอที่สี่แยกไฟแดงแล้วเจอกันเองก็ว่าเจอไหมไม่เจอนะโอกาสจะเจอง่ายไหมหรือยากนั่นแหละมันก็แบบเดียวกันนะการมาเกิดของเราเป็นมนุษย์การมาเกิดของพระเจ้าในโลกนี้มันก็มันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาแต่ละบาช่วง มันยากมันยากยิ่งกว่าซื้อลอตเตอรี่ระงวัลที่หนึ่งถูลตรี่ราวัลที่หนึ่งเลยเราอย่าไปหวังข้าวหน้าชาติหน้าเลยเราควรจะเรีบโชว์อากาศชาตินี้อย่าอย่าเสียชาติเกิดเกิดเจอสาธารณะพุ่งแล้วจะคําสอนแล้วรีบตักลงมันไม่โยชนให้มันเต็มที่เถอะอย่าไปหวังน้ําบ่อยหน้าเลยอาจจะอาจจะหิวตาย พราะมันนจะไม่ได้เจอไม่ได้เป็นของง่ายที่ไดเจอศาสนาผูดอีกครั้งหนึ่งใ น, ในโอกาสหน้าเหมือนถูกก็ะต้นรางวัลที่หนึ่งครั้งนี้เราอยากอยากยังไม่อยากไปขึ้นรางวัลอยกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอรอวดหน้าคอใหน้มันถูกวันหน้ารอไปเถอะรอมันจะมันตายไม่ไมันไม่ถูกง่ายๆหรอกของคุณครับถามต่อไปจากคุณพิสิทธ์ค่ะพระอาจารย์ครับ พระพุทธเจ้าปฏิบัติถึงห้าร้อยชาติผมควรปฏิบัติอย่างไรจึงจัดตัดภพชาติได้ครับอ๋อเจ็ดวันก็ได้ขุนเจ้ามีพระเจ้าสอนนะไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปสะสมบารมีหมกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านชี้เป้าชี้บารมีให้เปฏิบัตินั้นก็คือสติเนี่ยเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ไปพิจารณาตายรักในกายวิทนาจิตครั้นี้ก็จบแล้วเจ็ดวันก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณธีคัทนาน้อมกราบน้ำรสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคำถามการละความอยากตัวเดียวได้บ่อยๆและฝึกวางอุเบกขาเสมอๆได้ไม่รับไม่ชังไม่กลัวไม่หลงในทุกๆเรื่องบ่อยๆสักแต่ว่ารู้ในทุกๆเรื่องและไม่ทุกตามสิ่งนั้นๆรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นอนิจจัง ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะน้อมกราบนรมสการขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงเจ้าคะ่ะถูกทางแต่มันจะต้องเข้าห้องสอบแบบคุณสุภาพตามันต้องขึ้นเครื่องหรือคุณชนิสามันต้องขึ้นไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเสียงเป็นเสียงตายถึงจะรู้ว่าปฏิบัติได้จริงทําไม แต่ถ้าอยู่ในห้องปลอดภัยอย่างห้องห้องนอนเราเนี้ยปฏิบัติอย่างนี้มันยังไม่ได้เจอของจริงนะน้องไปเจอของจริงด้วยคำถามต่อไปจากคุณสุภาภรณ์กราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ลูกขอถามว่าเวลาออกกําลังกายโดยการเล่นโยคะแล้วลูกหลับตาปรากฏว่าจิตรวมได้ลูกก็หลับตาจนออกกําลังกายเสร็จ ปฏิบัติแบบดีได้ไหมเจ้าคะถ้าจิตรวมก็ดีเลเหมือนใจรวมจริงต้องบอกไว้รูยนะลองเล่าให้ฟังว่าจิตรวมเป็นยังไงคำถามต่อไปนะคะจากคุณความสุขคือความสงบกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีวิธีไหนที่จะทำให้จิตเข้าสู่อนัตตาได้บ้างครับต้องคิดอยู่บ่อยๆว่าทุกอย่างมันเป็น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธาตุสีน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็แยกแยกสลายกลับไปเหมือนก้อนเมฆก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าเดี๋ยวมันก็กลายเป็นน้ำกลายเป็นฝน ล, ลงมาแล้วน้ำฝนที่ลงมามันก็จะระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าใหมา่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็วนไปวนมาอย่างเนี้ย มมีตตัวตนคำถามต่อไปจากคุณสุวรรณีการแยกจิตกับกายให้รู้ว่ากายกับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันต้องเริ่มอย่างไรก่อนคะนั่งด้วยสติเป็นสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตกายจะแยกออกจากกายคำถามสุดท้ายจากคุณสุรีรัตน์ทำไมเราถึงเข้ามรรคผลนิพพานได้ยากครับ เพราะกิเลส เ, ลเ น, นี่ยกิเลสมันกอดขวางทางเนี่ยแล้วเราก็กลัวมันแทนที่เราจะคอยข้ามันเรากลับไปรับใช้มันมันก็เลยเราจะนั่งสมาธิกิเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาดูบอลก่อนอ่าเราลอมีซีเกเลยเดี๋ยวเขาดูละครก่อนเดี๋ยวเขาไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนอย่างนี้มันมันก็มันทำให้เราเข้าเข้าเข้าเข้าเข้ า, ขาถึงธรรมะได้ยาก เราไม่มีกิเลคอยขัดขวางทางหรือนิวอณ์กามาฉันท่าคายินดีในโลกเสียงกินร้อนเนี่ยเราต้องเราต้องเผยแลต้องตัดมันโอเคนะหมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วก็คิดาพอสมควรนะสาหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านทงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถอ